ในมัชิมนิกายมัวรปันนาดนะนว่าด้วยมาทุปินทิกาสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาอันเพราะนี่แหละเดี๋ยวเอาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนิดหน่อยมามาเล่าในช่วงนีนะ้เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของธรรมะอีกที <c oughs> ในเรื่องมีอย่างนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือสมัยหนึ่งก็คือ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามกรุงกระบิลพัฒค์แขวนสักกะตอนเช้านี่พระพุทธเจ้าก็ทรงครองผ้าอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยนกรุงราชกระบิลพัฒ์เนี่ยกลับจากบินทบาทก็เสวยภรกระยาหารเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังป่ามหาวันป่ามหาวันเนี่ยเป็นที่พักผ่อนกลางวัน แล้วก็ประทับพักผ่อนกลางวันณโคนต้นมะตูมหนุ่มในช่วงนั้นก็ไปทันท ป, ปาณิสากยะเดินเที่ยวชมทิวทัศน์แล้วก็เสด็จเข้าไปยังป่าม้าวันก็เข้าไปฝ้องพระเจ้าจนถึงที่ต้นมะตูมหนุ่มแล้วก็สนทนาปาศัยพอเป็นที่บันเทิงใจเป็นที่ะระลึกถึงกันแล้วเนี่ยก็ยืนขึ้น ยันไม่เท้าลงนะที่สมควรคำไม่เท้าคำได้กราบทูลพระถามพระุทยาบอกว่าสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรและบอกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าเลยตอบทันทะปานิสากยะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงจะไม่โตเถียงกับใครๆปกติมีปกติกล่าวอย่างไรจึงจะไม่โตเถียงกับใครใช่ไห ในโลกพร้อมกับเทวโลกพรหมโลกและในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณเทวดานมุดแล้วดำรงอยู่ในโลกในอกในโลกหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหม์ผู้อยู่ปราศจากการทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทยานอยากในพบน้อยและพบใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้น พระพุอย่างนี้เ้วเข้าใจไหมอันนี้ขยายไปแล้วเนื้เมื่อวันก่อนเมืมมเะะม่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยทันทะปานิสากะยะก็สัันศิสะแลบลิ้ น, น, นทำหน้าผากย่นเป็นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นแล้วก็จากไป ขั้นในเวลายเย็นพระเจ้าก็ออกจากที่หลีกเลนก็ไปยังที่นิโคทารามแล้วก็ระทับ พ, พุทธอาฏปูราตแล้วก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลาย น, นี่นั่งตรงนี้ก็ได้ถึงนั่งใกล้ๆนวดขาอยู่ เองวันพอนวดขาไม่ใช่ห้ือโอ้โอแล้วพอต่อมาเนี่ยพระยามาประทับใช่ไหมมาประทับที่กลับมาที่นิโคโทารามเนี่ยกลับมาก็มาหาพระภิกษุนี่แหละ แล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับพระฟังพระก็ถามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอย่างไรจึงไม่โตเถียงกับใครๆ ใ, ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมมาณพามเทวดาและมุทังหลายเป็นต้นเหล่านี้นะพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปัญจสัญญา ย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือแง่ต่างๆส่วนต่างๆที่แปลมาคาว่าสังขารแห่งปปันจะสัญญาก็แปลว่าปปันจะสัญญาสังขารก็หมายถึงสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเป็นเหตุให้เนื่นช้าก็คือตนามานะทิถีที่ได้กล่าวกันนีเนี้ย คำว่าสังขารหมายถึงแง่ต่างๆส่วนต่างๆนี้ึงแปลว่าแง่ต่างๆแห่งสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสอันเป็นเหตุแห่งเนื่นช้าเนี่ยพระเจ้าก็เลยมาสนทนากับพระและพระเจ้าพูดเพียงแค่นี้แหละแล้วต่อมาพระเจ้าก็เสด็จเข้าที่พักแล้วต่อมาก็เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพระมหากัจจียนะ พระมหากจรยนะก็กล่าวในเรื่องนี้ต่อเหตุก็เป็นไปลักษณะแบบนี้ทีนี้พอดูอย่างนี้นะก็จะได้เห็นในสรุปในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับผู้ใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลกในหมูส่สัตว์พร้อมทั้งสัมมาภาพเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะเนี่ย อันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงามบุคคลผู้ปราศจากการมทั้งหลายผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความคันนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในพบน้อยแล้วพบใหญ่ได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบว่าส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าปปัญจะสัญญาสังขารเนี่ยย่อมครอบงามบุคคลเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือไม่มีในเหตุนั้น ข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุใสเป็นที่สุดแห่งเพราะว่าราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับสัตราการทะเลาะการถือผิดการโทษเถียงการด่าว่าการส่อเสียดยุยงการกล่าวเท็จบาปอักขรกรรมมันชั่วร้ายเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือ ในเพราะเหตุนั้นอ่านแล้วไม่เข้าใจจริงั้ยแต่อ่านนี้มันครบเดี๋ยวเชนจะมาสรุปประเด็นให้ฟังมีปัญหาการศึกษาประดชวิดกมีปัญหนึ่งคือในมะทโท ป, ปินทิกาสูตรเนี่ยพระมหากัจจ ย, ยนะได้ที่บายขยายความเพุทพจนพเนี่ยเพื่อจนพมีแค่ น, นี้ ก็ขยายถึงกระบวนการรับรู้ที่ทำให้เกิดการตรึกนึกถึงอารมณ์เนี่ยสิ่งที่จิตรับรู้และเนื่นชาในอารมณ์นั้นนะตามลําดับก็พูดถึงเรื่องของอาศัยอายตนะภายในอายตนะภายนอกใช่ไหมพูดถึงอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นี่พูดเรื่องอายตนะที่พูดไปลเมื่อเช้าเกิดความรู้แจ้งก็เรียกว่าไอ้ตัวรู้แจ้งกับตัววิญ ญ, ญาณอยู่ไหมล่ะ จักรวิญญาณโซตวิญาาาวญาณคณะ ว, วิญญาณิวหาวิญญาณกายยาวิญญาณเนโนวิญญาณถ้าพูดถึงอายตนะก็มีจักขาอายตนะรูปายตนะ <Options. S 1> ใช่ไหมแล้วก็มานายตนะไอตัวมานายตนะไอเดวิญญาณใช่ไหมอาศัยรูปอาศัยจักรูเรารูปเกิดจักรวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเนี่เป็นภระาทเนี่ยไอการประชุมเนี่ยไอตัวที่ประชุมเนี่ยจักรประสาทรูปารมณ์แล้วก็ตัวจักรวิญญาณ จกกักรุป萨ตเป็นจกนักขาญตนะรูปารมเป็นรูปายาตนะจักวิญญาณเป็นมนายนาตนะมีสามายาตนะไอ้สามายาตนะเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้เพราะอาศัยผัสสะใช่ไหมพอมองเห็นนะแม่ในโสตายาตนะศัทธายธาตนะแล้วก็มนายนาตนะก็คือตัวโสตวิญญาณการประชุมสามประการก็เป็นโสตสัมผัสสะกวาใช่ไหม รวมและทำสามประการในอายตนะภายในอายตนะภายนอกและก็วิญญาณจึงเรียกว่าภาษาคือการกระทบการกระทบทีนี้ก็ตัวจิตเลยจิตนั่นแหละจิตทั้งหมดเป็นมานายตนะโสตายตนะรูปายตนะแล้วก็มานายตนะ โสตายะตนะคันทายตนะกระทบกันโซตายตนะคันทายตนะอ๋อไม่ใช่โสตายะตนะกับสัทธายะตนะสัทธาสัทธาแล้วก็มัายะตนะก็คือโสตวิญญาณก็มิยึดถึงพูดอย่างนี้ไงว่าอาศัยอายตนะภายนอกอายตนะภายในหกภายนอกหกแล้วก็วิญญาณจึงเรียกว่าพรรษะ ใช่ไก็คือการกระทบกันการประชุมกันตัววิญญาณทุกอันเป็นมนายต น, นะใช่เป็อนอย่างทุกอันที่พูดเป็วนวิญญาณจิตทั้งหมดจิตทั้งหมดเป็นมานายต น, นะ <c oughs> โอเค <c oughs> ยัง เ, <c oughs> เรียนเวลายุ่มมา ก, กค่อยๆเรียนไปอย่ า, ยาเร็ว <c oughs> ถ้าแต่ก่อนจะเร็วพุทธจะแยกเกว่าถ้าเกิดว่ามีหนังสือ อ่านี้ไม่มีอันนี้ในสูตรทีนี้เรียงลําดับอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวค่อยไปไหวอีกทีเดี๋ยวจะบอกวิธีการที่มันกระทบกันยังไงมันเชื่อมกันยังไงแล้วมันกระตุ้นทําให้กิเลสเกิดยังไงแล้วจะละยังไงวิธีการตรงนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้แหละเราจะต่อไปเลยได้ใช้อายตนะถูกมันทีกระทบทีไรแล้วมันฟุ้งขึ้นมาเรื่อยมันเพราะอะไรมันถึงฟุ้งขึ้นมา พวกระดับที่หนึ่งเป็นยังไงระดับที่สองเป็นยังไงระดับที่สามเป็นยังไงสี่ห้าหเป็นยังไงจะได้ไปดูอะไรเอยียดทั้ดีม <c oughs> ั้งนี่ย <c oughs> จะได้รู้แล้วต่อไปจะได้ไปฝปึกก็เปิดขึ้นมาเราจะได้รู้โอ้โหมันเราไม่รู้ตรงนี้มานานเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยอาศัยอายตนะต่างๆเหล่าเนี่ยจักขาอายตนะรูปายตนะแล้วก็มนายตนะทำสามอย่างประชุมกันเขาเรียกว่าพัฒนาใช่ไหม ทุกทวารเป็นอย่างนี้หมดเลยทั้งจากขุทวารโสตัฐวารคณ ะ, ววะวโโทวารจีหัตวารกายทวารมนทวารย่งนี้จะมีการประชุมกันอย่างนี้หมดเลยจนถึงว่าตัวตัวมโนโและธรร ม, มารมแล้วก็มโนโวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการก็เป็นภาษามโนสัมปสัสสะนิเป็นต้นทีนี้เมื่อธรรมสามประการเนี่ยคืออายตนะภัยในอายตนะภายนอกและวิญญาณเนี่ยนะประชุมกันเรียกว่ากระทบกันก็ลเลยกลายเป็นผัสสะ ภาษาก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเมื่อบุคคลเสวยเวทนาใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นเมื่อมีเวทนาก็มีสัญญายังไงเมื่อหมายรู้อารมณ์ใดก็ย่อมตึกถึงอารมณ์นั้นก็แปลว่ามีสัญญาก็ต้องมีวิตกจริงไหม เมื่อบุคคลตรึกอารมณ์ใดก็ย่อมเนิ่นช้าอยู่กับอารมณ์นั้นนี่ปปันจะสัญญามาแล้วใช่ไหมตัวตัณหามานะัทถเข้าแล้วเมื่อบุคคลเนิ่นช้าอยู่ในอารมณ์ใดการการกำหนดหมายด้วยกิริตในรูปที่รู้ได้ด้วยตาเป็นต้นที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมครอบงำอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยนะย่อมครอบงำทีนี้ กล่าวโดยสรุปก็คือว่าเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมีวิญญาณก็มีฐานะที่จักบัญญัติภาษาได้เมื่อมีการบัญญัติภาษาก็มีฐานะที่จะบัญญัติเวทนาได้เมื่อมีการบัญญัติเวทนาก็มีฐานะที่จะบัญญัติสัญญาได้เมื่อมีการบัญญัติสัญญาก็มีฐานะที่จะบัญญัติวิตกคือความตรึกได้ เมื่อมีการบัญญัติวิตกก็มีฐานะที่จักบัญญัติการครอบงำที่เนื่องด้วยการกําหนดหมายด้วยกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้จิตเนิ่นช้าในสิ่งต่างๆในเรื่องราวต่างๆปปัญจัดสัญญาหรือปปัญจัดทำทั้งหลายก็จะหมุนอยู่ในรุ่งเรื่องนั้นในอารมณ์นั้นลองทีเนี่ยลองนึกถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งโอ้โหกว่ามันจะหลุดจากอารมณ์นั้นได้ดยยดเล่ลคําว่ากําหนดหมายเนี่ยนะ แช่เมื่อมีการคำเมื่อมีการบัญญัติผัสสะก็มีก็ในก็มีฐานะที่จะบัญญัติเวทนาได้ใช่ไหมเพราะจริงๆเมื่ออายัตนาภายในอายัตนาภายนอกมีวิญญาณเป็นต้นเนี่ยมันมีการประชุมกันปุ๊บเนี่ยก็มีฐานะที่จะบัญญัติผัสสะได้เข้าใจคํานี้ไหมก็หมายความว่าที่เรียกว่าบัญญัติหรือบัญญัติว่าผัสสะเนี่ยจะมันมีแท้ที่จริงเนี่ยก็คือเป็นสภาวะธรรมที่มันประชุมกัน มันเป็นตามธรรมดาของมันนี่แหละเช่นจากขู่า萨รูปารม์จากขูวิญญาณเนี่ยพอเขาประชมกันเนี่ยจึงบัญญัติว่าผัสสะทางทวารตาเขาเรียกจากขู่สัมพัสสะทางทวารหูเรียกว่าโสตสัมพัสสะทวารจมูกเรียกคานาสัมพัสสะทวารลิ้นเรียกชิวหาสัมพัสสะทวารกายกายยาสัมพัสสะทวารใจก็มโนสัมพัสสะจึงบัญญัติว่าผัสสะได้เพราะการประชมกันของอายตนะภัยในอายตนะภายนอกและก็วิญญาณ น, นี่แหละวิญญาณทั้งหอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละ เมื่อมีการประชุมกันเมื่อไหร่การบัญญัติว่าผัสสะในทวารนั้นๆก็เกิดก็มีขึ้นเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเมื่อผัสสะมาประชุมกันแล้วเนี่ยก็มีฐานะที่จะบัญญัติเวทนาถ้าไม่มีการบัญญัติไม่มีการประชุมของของรมเหล่าเนี้ผัสสะมันก็ไม่เกิดเพราะมีผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดทีนี้เมื่อมีการบัญญัติเวทนาแล้วก็มีฐานะที่จะต้องบัญญัติสัญญาเพราะไม่ใช่แต่เฉพาะเวทนาเท่านั้น แม้สัญญาก็จะมาเกิดร่วมในขณะนั้นเมื่อมีการบัญญัติสัญญาก็มีฐานะที่ต้องบัญญัติวิตกในนั้นมีวิตกโดยมีการตรึกใช่ไหมเมื่อมีการบัญญัติวิตกก็มีฐานะที่จะบัญญัติการครอบงมที่เนื่องด้วยการกำหนดหมายด้วยกิเลสที่เป็นเหตุให้จิตเนื่อนช้ากับสิ่งต่างๆก็ปากปัญจสัญญาทั้งหลายมันก็เลยตามมาับในเรื่องต่างๆทีนี้อนุัยที่นอนเนื่องอยู่ใน ขันธสันดานในจิตเนี่ยเมื่อไม่ได้ละออกไปก็จะยิ่งฝังลึกจนถึงระดับอาสวะใช่ไหมหมักดองเลยในขันธสันดานกิเลสที่หมักดองในขันธสันดานเนี่ยพร้อมที่จะไหลออกมาทําหน้าที่เป็นพื้นฐานในการปรุงแต่งในขณะที่จิตรับรับอารมณ์เนืรับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกา ม, มาสวะพวาสวะอวิชชาสวะมันพร้อมที่จะหมักดองอยู่แล้วเนี่ย ในกรณีแบบนี้พอมองเห็นไหมนั้นกระบวนการแห่งอาสวักิเลสและข้อปฏิบัติเนี่ยกระบวนการแห่งกิเลสและการเกิดขึ้นกั้งของของกองทุกข์ทั้งหลายมันเป็นไปด้วยอาการของมันอย่างนี้นี่คือในพระสูตรนี้ในใจความของพระสูตรนี้ทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็คือจะมาพูดถึงในเรื่องของการมามาเจาะ ในเรื่องของการว่า เ, ออเมื่อเช้าพูดถึงในเรื่องของคำว่าอนุใสใช่ไหมในบรรดากิเลสทุกชนิดไม่ว่ากิเลสตัวไหนมันจะมีอยู่สามระดับเมื่อเช้าก็เลยพูดถึงในเรื่องของตัวตัณหามานะโดยเฉพาะเรื่องทิฏฐิที่พูดในเรื่องของสามระดับของเขาเนี่ยถ้าทิฏฐิ ทิฏฐิยังหยาบไอตัวทิฏฐิยังหยาบเนี่ยที่มันแสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้ไปต้นอันนี้เรียกวีติกมามะเนี่ยยังหยาบ อ, อ, อาถ้ามันเกิดที่ชาวนะกรุ่นอยู่ที่ชวนะยังไม่ผักดันออกมาทางกายวาจาอันนี้ก็เรียกปริยุทธานนะ ใช่ไหมทีนี้ถ้ามันถ้ามันยังไม่เกิดกรณีอย่างนี้ก็เรียกเป็นอนุสัยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ เในกรณีแห่งการที่บรรดากิเลสเหล่านี้ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายมีทิฏฐิอยู่สามระดับมีมานะอยู่สามระดับมีตัณหาอยู่สามระดับมีโลภะสามระดับโทสะสามระดับโมหะสามระดับบรรดากิเลสทั้งหลายก็มาจัดเป็นระดับแบบนี้แหละวิติกรมะปัญญฐานะและอนุสัยทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าไอตัวสักยะทิฏฐินะถ้าพูดถึงทิฏฐิเนี่ยตัวสักยะทิฏฐิเนี่ย ที่เห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีสามระดับข้างบนนี้มันเป็นโลกของเขาอย่างนี้ทิฏฐิที่หยาบปานกลางและละเอียดเนี่ยเนถ้ากล่าวโดวยเทียบเคียงกับอกุศลกรรมบท10บที่เป็นไปเหมือนกับลูกหลานของวิชาทิฏฐิหรือของสักยทิฏฐิตัวสักยะทิฏฐิที่เราเห็นด้วยความเป็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณที่ยิงยิ่ง่งสิบสักยะิ อันนี้มันเป็นตัวตัวเหมือนตัวแม่เป็นตัวตัวพ่ออย่างนี้เนี่ยแล้วต่อมามีลูกมีหลานของมันลูกหลานของมาก็กายยตุเจริตวจีโตเจริญเมโนโตเจริญเนี่ยลูกหลานของเขามองเห็นไหมเนี่ยไอตัวตัวเอของเขาก็คือตัวนี้ตัวสักยทิติิทิทวีติกมะทิฐิยาบคือทิฐิที่ล่วงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมที่เป็นอกุศล วิติกามะทิถียาบวิติกามะทิถียาบที่มันออกมาผักตันออกมาอันนี้เห็นกันอยู่ใช่ไหมออกทางหน้าตายัางไงออกทางทางวจีกรรมก็เป่งวาจาชั่วยรักมาเทศส่อเยดคําหยาเพื่อเจอบ้างถ้ากระทาออกมากายจทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่าไปถ้าปริยุทธานะเนี่ยเป็นทิถิที่กุ้มรุมอยู่ในมโนธรรมอันนี้อยู่ในชาวนะ แต่ไม่ผลักดันออกมามาเป็นพฤติกรรมแต่แปลว่าในชฉลยน่าเกิดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเป็นชฉลยน่าแล้วส่วนอนุสัยทิฏฐิียอนุสัยทิฏฐิอย่างละเอียดเนี่ยเป็นทิฏฐิที่ไม่ปรากฏออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมหรือมโนกรรมเลยไม่เป็นไม่เป็นมโนกรรมเลยนะไม่เป็นกายกรรมไม่เป็นวิจีกรรมไม่เป็นมโนกรรมด้วยนะอนุสัยเนี่ยแล้วเป็นอะไรเป็นอนุสัย มีมีเจ็ดใช่ไม <5. S 1> การราคาน้สัยปฏิคาน้ตใส <5. S 1> ทิฏฐานุส้ตสมานานุน้ตใสไไปตามลำดับจนถึงอวิชานุใสไ <5. S 1> ล่ไปแล้วได้บอกไปแล้วไม่บอกใหม่แล้วแต่ให้รู้ว่านี่อนุสัสทีนี้ว่า <5. S 1> เขาเลยอุปมาเหมือนไฟที่มันเกิดจากไม้ขีดมีสามระดับระดับที่เป็นาธาตุไฟไอ้ดินประสิวที่ฝังอยู่ในหัวไม้ขีด แล้วก็เปลวไฟที่มันไหม้ก้านไม่ขีดนะแล้วก็เพราะการประทะ ก, กันกับแผ่นขีดแล้วก็การนำไฟจากก้านไม่ขีดนั้นน่มันไหม้ตัววัตถุตั้งแต่ไหม้ก้านมันไหม้กองขยะไหม้ไปสู่ผ้าสู่ป่ า, ส, ปาสู่บ้านสู่เมืองว่าไปเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยวีติกามกิเลทิถีเนี่ยเริ่มจากการที่ถ้าเรามองอย่างนี้ว่าไฟเนี่ย อนุสัยเนี่ยมันทิฐิที่อย่างละเอียดมันฝังอยู่อย่างมั่นคงในขันธสันดานนั้นฝังต้องใช้คําว่าฝังอย่างมั่นคงนะในการสืบต่อกันของกระแส ช, ชีวิตเมื่อเมื่อเช้าก็เลยพูดถึงเรื่องว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิ ญ, ญญาณใช่ไหมการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาในจักขูวิญ ญ, ญาณในจิตในขณะนั้นน่ะ มีจกักราาุปส萨ฏมีรูปอารม์มีจกักขุวิญญาณและมีจกักขุสัมปัสสะเรียบร้อยแล้วแต่ในนั้นเน่ยไม่มีไม่มีปปันจัสัญญาไม่มีตัณหามนาัสสิทธิในนั้นไม่มีเห็น ไ, ไหมกิเลสระดับปริยุทธานะไม่มีกิเลสระดับวิติกมะไม่มีแต่อนุสัยมี มีในจกักขูปัญญาในสมปติชนะในสันติระนาในในวอดทะพนาเหล่านี้นะเนี่ยนนะตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีนะเออไม่มีไม่มีตัหณหามนทริฐิที่เป็นปริยุทธานะที่เป็นวิติกมะแต่อนุสัยมีไ้มมันฝังอยู่ใช่ไหมเราพูดฝังมันเหมือนมีเชื้ออยู่อย่างนั้เละแต่มันไม่ได้เกิดนะ ถ้าไปเกิดอยู่ในนั้นมันกลายเป็นทำดำทมขาวมันฆ่ากันมันใช้ไม่ได้ผิดหลักผิดหลักความเป็นจริงของสาภาวะธรรมทีนี้เดี๋ยวเราจะเราแคะแกะเกายัางไงจะไปเห็นมันมันก็เลยเห็นได้ด้วยอุปมาไงตรงนี้ก็เลยอุปมาเหมือนว่าอะไรดีอุปมาเหมือนไฟนี่แหละ ตราบใดที่มันยังไม่กระทบกับแผ่นขีดไ อ, อหัวไม่ขีดเนี่ยถ้ามันยังไม่กระทบกับแผ่นขีดก็จะไม่สามารถเกิดไฟได้เลยเนะธาตุไฟที่มันสิงอยู่ในประทัศฝังอยู่ในประทัศอยู่ในดินปืนเนี่ยถ้ามันยังไม่ถูกไฟจุดก็จะไม่แตกขึ้นมาเป็นเสียงอนุใสก็เช่นเดียวกันมันเหมือนไ อ, อตัวไ อ, อหัวไม่ขีดนี่แหละ เคยใช่ผมไม่คิดกล่องมันตาพญานาคอะเคยใช่ใช่ไหมไม่ขิดไฟตาพญานาคเคยใช้ไหมนั่นเลยลองไปแกะเดียวที่ในนั้นมันมีไฟอยู่ไหมแกะแกะมาไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไมอันนี้ไงเนี่ยที่นั่งนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ความโลบความโกรธที่ยังไม่เกิดเนี่ยใช่ไหมล่ะ ที่ยังไม่เกิดเนี่ยอย่าไปสำคัญว่าเป็นคนดีอลไโอ้ใช่ไหมแล่วโอ้โหอันนี้เหมือนกันฉะนั้นตราบใดมันยังมีหัวไม่ขีดอยู่เนี่ยตรงนั้นทำยังไงมันก็ไม่อาไปกระทบอย่างอื่นก็ไม่มีไม่มีไฟขึ้นมาใช่ไหม ไปกระทบอะไรต่างๆเอาไปขีดกับพื้นก็ได้อะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยแต่ฮะเดีย๋ยวนี้มีอีกรุ่นหนึ่งในขีดที่ไหนก็ติดได้อย่างนั้นไม่เอาเอาเฉพาะทุ่ๆู ก, ก, กับแผ่นขีดเนี่ยมันจะมีแผ่นขีดของมันต้องไปถูกกับแผ่นขีดเท่านั้นแหละมันถึงจะติดไฟขึ้นมาเออนี่เหมือนกันสภาพจิตของเราเนี่ยเถ้าไม่ได้เหตุปัจจัยที่จะกระตุ้นให้มันเป็นปฏิยุทธิฐานะแล้ว ผักออกมาเป็นวิติกมามยังไงมันก็ยังไม่มันเพราะมไม่ได้เหตุปัจจัยมันก็เลยดูเหมือนเป็นคนดีเลยนะดูเหมือนเป็นคนดีเลยอะ่ะใช่มหม <c oughs> <c oughs> นั่นแต่ก่อนเราเคยเราเค ย, เ ร, เ, คยเราเคยรับรองคนเป็นไปไม่ได้คนเนี้ต้องเป็ น, เ ป, นเป็นคนนี้เป็นคนดีเราเคยไปรับรองคนอื่นใช่ไหม เคยไหมบคนนี้ดีจริงๆเคยคบกันมาแล้วเชื่อได้เลยเขาเป็นคนดีตอนนี้กล้าไหมเพราะอะไรเขายังถอดใช่มเขายงยังยังยังความไม่เป็นอริยะก็ถอดกิเลสไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยกรณีแบบนี้ยอนุสัยกิเลสเนี่ยก็เช่นเดียวกันตราบใดที่ยังไม่ได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดี ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้กระทบกับอารมณ์ที่จะทำให้เกิดราคะกระทบอารมณ์ที่จะทำให้เกิดโทสะหรือโมหะเป็นต้นเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้กระทบอารมณ์เนี่ยที่ดีและไม่ดีก็จะไม่เกิดในมโนทวารเลยนะถ้ายังไม่กระทบอารมณ์มันังไม่เกิดอนุสัยก็จะเป็นอย่างนั้นย่อมฝังอยู่ในขันทันดานอยู่อย่างนั้นแหละต่อเมื่ออารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ไม่ดีมากระทบที่มโนทวาร อนุสัยทิฏฐิมันก็ตั้งขึ้นลุกลามไปสู่ความเป็นปริยุทธานภูด้วยการทําชนะกิจเนี่ยให้แล่นขึ้นและในขณะนั้นก็สามารถนะถ้าสามารถคมปริยุทธานด้วยสัพพุริสธรรมนะด้วยศรัทธาด้วยอะไรทั้งหลายอลไรเนี่ยอนุสัยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอสมมุตินะว่าพอเห็นนี่นะพอเห็นน้ำปุ๊บ แล้วนึกโอ้ยอยากเอาไปถวายพระเนี่ยศรัทธาเกิดได้ยังศีลเกิดได้ยังสุตตะเรื่องตางโอ้โหไหลามาใหญ่เลยศรัทธาหิริความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมันเกิดขึ้นเนี่ยสบุริสธรรมเกิดแล้วเนาะเกิดโอ้ยอยากไปถวายพระอยากไปเจริญกุศลแม้ในขณะนั้นน่ะปริยุทธานันถูกระงับไปแล้ววิติกมามะไม่ออกมาแล้วเป็นกุศลเกิดขึ้น แม้ในขณะนั้นน่ะอนุสัยก็ยังไม่ได้ถูกชำระถูกละเพียงว่าถูกกรบด้วยมโนธรรมด้วยสัพปริสธรรมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาในชั้นของโลกิยะที่กําลังกระทําสิ่งดีงามกันอยู่เท่านั้นเองนั่นเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่ามันถูกกรบด้วยความดีด้วยมโนธรรมด้วยกุศลธรรมด้วยจริยธรรมเนี่ย ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่กำลังปูเนี่เราก็ดูว่าโอ้โหไปเจริญกุศลกันนะออพอฉะนั้นในขณะที่จักรกูสัมปัสสะเกิดขึ้นโซตสัมปัสสะคานาะสัมปัสสะชิวหาสัมปัสสะกายยสัมปัสสะเนี่ยจนถึงมนโนสัมปัสสะเกิดขึ้นถ้ามนโนสัมปัสสะก็คือผัสสะมนโนทวาราวชนะัชณะแล้วก็อารมณ์ของมนโนทวาราวชนะัชณะแล้วก็ผัสสะ ใช่ไหมในที่นั้นนี่ยประชุมกันเกิดขึ้นผวังมโนทวารละผวัวงมโนทวารละชนะแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในประชุมกันเนี้ยตอนนั้นยังเป็นอาวชนะอยู่ในขณะนั้นยังไม่มียังไม่มีปรปัญจัสัญญาใดๆเกิดขึ้นหรอกในขณะนั้นแต่ถ้าหากว่าตัวนั้นเป็นอโยนิโสถ้าทั้งปัญจทวารน่ยเป็นอโยนิโส ถ้าไปมนนาสิการในสิ่งที่ไม่งามว่างามเมื่อไรเอามาแล้วต่นี้ไอตัวการมาราคาน้สัยที่ฝังแน่นอยู่จะผลิตออกมาเป็นปริยุทธานะทันทีขึ้นสู่โชนะแล้วมองเห็นยังเพราะมันมีเชื้ออยู่ไงเพราะมันไปนกระทบกับแผ่นเหมือนกับไอหัวไม่ขีดไปกระทบกับแผ่นขีดเมื่อคุณมนานสิการผิดเมื่อไรนะเช่นมนาสิการว่างามเนี่ย หรือมันนาสิกการว่าโอ้โหมันดีมันงามเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอตัวการมราคานุสัยที่มันติดแน่นในขันทศนันย์อยู่นั้นแปลสภาพเป็นปริยัติฐานะขึ้นสู่ชวนะเป็นปัจจัยสัญญาทันทีเลยเป็นปัญหามนาทิฐิทั้งเลยแล้วตอนนี้วนลูบเลยตอนเนี้ยวนในเรื่องนั้นในแง่นั้นในสิ่งต่างๆมันเป็นมันกลายเป็นว่าเป็นไอธรรมที่มันเป็นมันมีกําลัง ความพิสดารของเขาในการเกิดขึ้นในการปรุงแต่งซ้อนเสริมขึ้นอย่างมากมายเลยตัเนี้ยโอ้โหมันสวยจริงๆมันงามจริงๆอยากจะอาไปให้คนนั้นโอ้โหเรื่องอย่างนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้ต้องจัดการโอ้โหมันมันเรื่องเยอะเลยตัเนี้นะมันหมุนหมุนติ้วเลยนะตัเนี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเพ้อเผ้อแล้ ว, อลวโอ้โหอยากจะทํายังไงนะเหมยมันจะมาอีกเยอะเลยยิ่งมีเหตุการณ์อะไรมากๆมีพลังอะไรมากๆ มันจะคว้านึกถึงใครอีกเยอะเลยเนี้นี่ขนาดนี้ในเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเริ่มถึงว่าเป็นกิเลสตัวปัน่นนะปั่นขึ้นมาพอมันปั่นเป็นปริยุท ธ, ธานะปริยุท ธ, ธานะขึ้นมาออกมาทางพฤติกรรมแล้วเดีเนี้ฉันชอบโอ้ โ, อโหเกิดการต่อรองขึ้นมาเดีเนี้แล้วทั้งไม่ใช่การมาราคาอย่างเดียวเนี่ยปฏิฆามาแล้ว เฮ้ยทำไมไม่ได้ราคาเนี่ยฉันเคยซื้อครั้งก่อนโอ้โหมันมันไปใหญ่มองเห็นไหมโอ้ยถ้าถึงขนาดว่าบางทีก็ถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องก็ถึงขนาดลงไม้ลงมือกันถ้าคนละประเทศก็ฆ่ากันหรือถ้าคนละพวกหรือ พ, พ่อแม่พี่น้องหรือว่าแมน้นปูย่ยตายายๆก็เล่นกันลงเล็งเลยอะไรเนี้ยเนี่ยเนี่จากอนุสัยตัวไหนมันกระทบ ถ้ามานาสิกานไปเพื่อจะให้ปฏิคานุสัยเกิดปฏิคานุสัยจะกระตุ้นเกิดขึ้นมามาเป็นปริยุทธานนะแล้วก็ออกมาเป็นวิธีกรรมะถ้ากระตุ้นไปจนถึงมานานุสัยขึ้นมาเฮ้ยตัวชั้นอัตตาขึ้นมามันกระตุ้นขึ้นมาเป็นบริยุทฐานะแล้วก็ออกไปเป็นผู้แบบมานะบอกว่านี่ชั้นนะชั้นคือใครนี่ฉันมองเห็นอย่างมานาเกิดแต่ถ้ามันกระตุ้นเป็นทิฏฐานุสัยมาปุ๊บ ที่ฐานุูสายเป็นตัวกระตุ้นเป็นบริยุทานาขึ้นมามันจะบอกว่าจะต้องทําตามความเห็นตามความเชื่อนี้ให้ได้แล้วก็จะเปล่งวาจอาออกมาถ้ามันกระตุ้นเป็นในลักษณะที่เป็นตัวในลักษณะของเพราว่าราคานู่นสัยขึ้นมาเนี่ยมันติดข้องมันเป็นไปลักษณะว่าเ่เีพูดถึงอะไรฉันอยากจะสร้างอาณาจักรฉันไม่อยากไปไหนอันนี้นเป็นที่ของฉัน ฉันไม่อยากจะออกจากจากที่ตรงนี้สภาพ ช, ชีวิตจิตใจยอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเหมือแบบนนี้พบอย่างนี้อะไรกันไปขนาดนั้นแล้วก็ที่ส่วนริงไปประชุมลงในอวิชานุสัยไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันกระตุ้นออกมาโอ้โหทั้งฟุ้งซ่านทั้งลังเลสงสัยนะ ก, กุ้มลมแล้วก็ผักดันออกมาให้ใหออกเริ่มเห็นนียังจากเรื่องเดียวแท้แท้อนุสัยทั้งเจ็ดที่ยังละไม่ได้จะกระตุ้นออกมาเป็นปริยุทธานะแล้วผากออกมาเป็นวีติกมามะ วิติกามานั้นมีหลายขั้นหลายสถานการณ์จนถึงขนาดจะเอาโลกใบนี้ให้พังก็ได้ทิ้งระเบิดก็ได้นี่แหละเป็นอย่างขนาดนี้เลยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไอ้ตัวนั้นนะฐานมันมีอยู่เชื่อมันมีอยู่มันจะกระจายไปเป็นสิบหกก็ได้กระจายไปเป็นสิบก็ได้กระจายไปเป็นยี่สิบสามสิบก็ได้แล้วแต่อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันมันไปได้หมดนั่นมันหมุนอยู่ตลอดเวลาและนี่คือความเป็นจริงที่มันเคยเกิดมาแล้ว และกำลังเกิดเกิดและจะเกิดต่อไปในอนาคตถ้าไม่มีวิธีการดับปะปันจะสัญญาเป็นต้นเหล่านี้นี่ในประสูนย์เนี่ยนะทิ่บอกว่าอนุสัยทขึ้นมาตอนที่เมื่อมีไอวานิโซแล้วเนี่ยที่บอกขึ้นมาในชาวนาคือทั้งทั้งเจ็ดตัวอันนี้มันจะเดินไปจนจบเลยวิธีมันแล้วแต่ว่าเราบางทีบางคนละได้ มันก็ได้แค่ปริยุทธานะแล้วก็ถูกระ ง, งับด้วยมโนธรรมมันก็กลายเป็นกุศลเม่เกิดแทนไปถ้าสกัดตรงนั้นไม่ได้มันก็พวดออกมากลายเป็นวิติกรมะบางคนออกมาจนเป็นชั่วโมงยังไม่ดับสัาทีบางคนหลายๆด้วยแล้วมันก็ฝังแน่นลงเป็นปัปปันสัญญาเป็นสัญญาเก็บจำไว้เพื่อจะเข้าไปไปเป็นเครื่องจดจาและไปเป็นอนุัย นะเขานะเขาเอตัญญาตัวนี้มันก็โอ้โหคำว่าปรับปัน์จะสัญญาที่มันอา่ามันเป็นไปกับตันหามนานะทิ่ถีตัวเนี้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ย อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ทิฐิถีตันหามนานะที่ถีมันเกิดร่วมกับสัญญาอันนี้เป็นจำนวนนะแท้ที่จริงหมดเลยไม่ใช่แค่สัญญาอย่างเดียวภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอากกตาชีวิตติสีมรรสการวิตรกิจานอธิโมกขวิริยปีติฉันทะไอ กลุ่มอัญญสมานะเจตสิกเหล่านี้ที่ไปเกิดร่วมกับตัณหาไปเกิดร่วมกับมานะไปเกิดร่วมกับทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิที่ไปเกิดร่วมกับเขามันไปเรียนรู้จนเกิดความคุ้นเคยหมดเลยนะทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งผัสสะทั้งเจตนาทั้งหลายเขามีความคุ้นเคยดื่มด่าเป็นเนื้อเป็นตัวคบสมาคมกันจนโอ้โหเขารู้สึกว่า คุ้นเคยกันมากเห็นกันฉลองเห็นกันรู้สึกเหมือนดอดกอดกันรัดกอดรัดฟัดเบี่ยงเลยว่างั้นเอะเขาคุ้นเคยกันมากฉะนั้นเวลาใดไอตัวผัสสาเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยมาเกิดร่วมกับศรัทธาเขามาแบบผิวเผินเพราะเขาไม่คคเคยคุ้นเคยหรอกเห็นไหมเวลาเขาจะไปศรัทธา <c oughs> เรงต่างโอ้โหต้องกระตุ้นต้องบอกต้องเอาใช้รูปแบบต้องแนะนําต้องเอาเสียงช่วยชวนแล้วชวนอีก เขามาแค่เช่าคู่ เ, เพราะว่าจริงๆเขาถูกกล่อมเมื่อจนไก่ปะปันสัญญานี่แหละที่มันถูกกล่อมเขาเป็นเนื้อเป็นตัวมาในสังสารวัตติดแน่นในการตะสันดานมาเนี่ยนั้นลอง้องบอกว่าอุยได้ข่าวว่าเนี่ยที่ห้างเนี่ยเขาลดราคาตั้ง 80% เลยเ้าจะลดแค่อีกสองชั่วโมงเอง <laughs> โอ้ยหฟังคำก่อนเ <laughs> ว้ยหนูวิ่งพวดไป <laughs> ต้องปะของเยอะหมดใช่ไหม 80% ดเปอร์เซนี่ยเจ้านี้ก็ไม่อยู่นะเนี่ย 80% ลงคิดดูสิใช่ไหมล่ะ100บาทหรือ20บาทนิโคลอยู่ไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้ตัวไอผัสสะเวทนาไอไอตัวเ ว, ว, วลาเวลาเขาไปเห็นเห็นน้ำแล้วก็เกิดสุขเวทนาใช่มั้ย ไอตัวสุขเวทนาที่มันเกิดร <eterm oon> <Wha> ่วมกับตัณหาเกิดร่วมกับมานะเกิดเรื่องวุทธิธิปัสสาวะเขาได้กระทบสุขเวทนาได้สวยรสนั้นใช่ไหมไอสัญญาก็จำใช่ไหมเจรนาก็กระตุ้นเตือนใช่ไหมวิตกก็ตึกวิจารณ์ก็คร่าวครออะไรก็แล้วแต่มาณาสิการ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเคยดูดดื่มเขาเคยสัมผัสเขาเคยเกิดรัดวัดเปบี่ยนแล้วเกิดร่วมกันมาจนมีความคุ้นเคยกันในสังสารวัต เวลาเขาชักเราจะชักจูงเข้ามาในทางที่ดีเนี่ยมันถึงตั้งแค่แล้วแค่นอกบางทีแค่จะไปแต่ละทีต้องกำหนดเวลาแล้วเลิกได้อย่างง่ายเลยนะซึ่งผิดกับการนัดกับอกุศลนะนัดกลุ่มกันนีเนะถ้าผิดถ้าเกิดไม่ไปตามนัดโอ้โหโกรธกันอะไรกันเออจำกันเป็นต่อว่ากันอีกนานเลยนะจริงไหม ถ้าลองมันนัดที่ไปเจริญกุศลเนี่ยบอกวอกไม่ว่างไม่ปไป ร, ร้ายหรอกว่า <c oughs> <c oughs> รู้สึกมันเลิกง่ายง่ายมันไม่ดดดื่มโอ้โหทําไมเนอถึงเลิกโอ้โหเราจะไปเฝ้าพรธเจ้ามันมันไม่เคยเสียดายเลยเนี่ยสังเกตุไหมมันไม่เครู้สึกว่าโอ้เสียดายมากไม่ไปไม่ได้ต้องไปให้ได้มันรู้สึกว่าโอเคโอเค <c oughs> แล้วก็ไม่เคยนึกถึงอีกเลยเรื่องนั้นเนี่ยใ <c oughs> <c oughs> นขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เพราะมันไม่มปัปนสัญญาในเรื่องนั้น จริงไม่จริงเนี่ยพี่บุญนี่คือความนี่คือความจริงของชีวิต น, นั่นเองเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไปเราจะเห็นไอ้คาว่าเหมือนเหมือนไม้ขีดที่มันกระทบกับแผ่นขีดเนี่ยถ้ามันได้เหตุปัจจัยปุ๊บขึ้นมาลุกโคลงลุกโค ล, ล, ลงลุกเรื่องเลยฉะนั้นมันมาอีกเพียบเล ย, เยฉะนั้ น, นตรงนี้ก็คือว่าอนุสัยทิฏฐิเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ดีเนี่ย ก, ก็ยังไม่เกิดขึ้นในมโนท ว, วารมันฝังอยู่ในขันธสันดานอยู่อย่างนั้นเนี่ยต่อเมื่ออารมณ์ดีหรือไม่ดีมากระทบที่มโนท ว, วารอนุสัยกิเลสมันก็ตั้งตั้งลุกลามลุกลามไปผู้ไ ป, ไปเป็นปริวิฐานะภูมิด้วยในขณะที่ไปทํำชวนากิจในขณะที่มันทํำชวนากิจมันทําเยอะเลยเนี่ยโอ้โหมันทําอย่างมากอย่างเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหมุนอยูเนเ้ยมันทําชาวนะ ทำจนถึงขนาดพากออกมาเลยจนรู้สึกว่าไม่ได้ต้องพูดไม่พูดแล้วรู้สึกมันไม่สบายใจขนาดนั้นเลยเนะยไม่สบายใจใเด็ดขาดมันมหอึอะไรรอบนึงว่าไม่ได้ไม่ได้ยอมต้องพูดเธอได้ยอมตรงว่านั้นโอเล่นเลยเธ่เนายเคยไหมบางทีว่าเฮ้จะดีไหมไม่เป็นไรแล้วฉันเป็นคนอย่างเงี้ย พดขึ้นไปโอ้โหเนี่ยขนาดนั้นขนาดนั้นเลยมันมันห้ามไม่อยู่เพราะอะไรอ่าเพราะว่ามันมันมันคุ้นเคยกันแล้วมันมันมันมันเป็นเนื้อเป็นตัวกันมันมันจะฟังมันจะฟังโลภะเท่านั้นมันจะฟังทิฏฐิเท่านั้นจะฟังมานะเท่านั้น นะทั้งภาษาทั้งเวทนาทั้งสัญญาเจตนาเอกต า, าชุดวิโ ต, ว, ตวิจารทั้งหลายอ่อนโยนตามเขาหมดเลยแล้วแต่คุณนะแล้วแต่โทสะจะบอกโทสะให้ไปไปกระทบกับอะไรไปต่อสู้อะไรให้เพี้ยนยังไงก็เอาโอ้โหมันต้องเพี้ยนมากเลยนะเพี้ยนที่จะไปจัดการกันใช่ไหมให้ให้ปากคอสัตวมันก็เอาเนะี้ยขนาดนั้นน ต้องคุยให้ได้ต้องพูดให้ได้เพางักก้นมันทั้งอัตตาตัวตอนขึ้นโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมจากปริยุทธานนะเข้าสู่ความเป็นวิติกามะโอโอ้โหชาวนะไม่ต้องพูดถึงกรรมไม่ต้องพูดถึงหรือที่มันหวานเมล็ดพืชเนี่ยเป็นพีชาณิธ า, ธานกิจใช่ไหมแล้วทําไงมาขนานขนาดนี้ถึงมารู้วันนี้แล้วมันทํามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ย อันนี้พูดถึงคนดีนะไม่ต้องพูดถึงที่ไม่รู้เรื่องอันนี้เอาคนรู้เรื่องอย่างเราเากันเลยนะ่น <c oughs> จริงน่าอายเนาะเรียน่าอายวะเราบางทีพอรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยจะเป็นคนไม่กล้ารับรองไม่กล้ารับรองคนอื่นแต่ตั้งมั่นว่าจะต้องรับรองตัวเองว่าไม่ให้มันร่วงละเมื่ออมา แล้วขนาดมันกุ้มรุมมันมันไปทําชาวนะเนี่ยถ้าทิฏฐิไปทําชาวนาตั้งขึ้นมานะไปทําชาวนาตั้งขึ้นตันหาไปทําให้ชาวนะตั้งขึ้นหรือพวกโกรุพระโทสระโมหะไปทําชาวนาตั้งขึ้นแป๊บเดียวละอายเลยเพราะเรารู้ระดับมันเราเรียนระดับอนุสัยปริยัิฐานะวิติกามะคือรู้รู้เรียนจนละเอียดรู้จากอายตนะรู้จกัจกจักขายตนะโสตายตนะจกักขายตนะรูป า, ายตนะไมมนายตนะประชุมกันเป็นภาษะใช่ไหม จากจากขู่สัมผัสะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่บัญญัติว่ <c oughs> าสัมพสะเป็นไงบัญญัติเวทนาบัญญัติสัญญาบัญญัติวิตกแล้วก็ปรับปัญญะทำตัวงั้นปรับปัญญะสัญญาเนี่ยแล้วมันเห็นกระบวนการในการเริ่มเกิดขึ้นทั้งที่เป็นอดีตมันจํามาไว้หมดแล้วที่เป็นปรันสัญญะในอดีตและปัจจุบันนี้ถ้าไม่ระมั่นสว่างมันจะเกิด และในอนาคตอะไรจะตามมาผลของมันเป็นยังไงถ้ากระบวนการความคิดแบบนี้เป็นอย่างไรแม้ในอนาคตก็จะต้องเป็นคนที่หลุดลุยอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถสกัดกิเลสระดับหนึ่งระดับสองระดับสามได้เลยแล้วก็จะมานาสการอย่างอย่างนด้นบอกว่าเพียนพยายามอย่างยิ่งว่าเราแค่เห็นหัวไม่ขีดเนี่ยนะเราก็สะเทือนเลยนะสะเทือนตรงที่ว่ามันยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรหรอก เรารู้ทันทีว่าเรามีเชื้ออันตรายอยู่การมาราคานุตสัยยังไม่ถูกละด้วยอริยามรรคปฏิคานุตสายยังไม่ถูกละด้วยอริยามรรคมานานุสัยทิฏฐานุนสัยเพราะว่าราคานุสัยจนถึงอวิชานุสัยเป็นต้นเหล่าเนี้ยอนุสัยเหล่านี้มันยังฝังแน่นในขันธสันดานเรายังไม่ทําอริยามรรคมีโสดาปิมรรคเป็นต้นให้ตั้งขึ้นจึงเป็นผู้ที่ไว้ใจไม่ได้เลย ม, มันจะมนันจะมณสิการตัวเองนี้ตลอด ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นคนดีที่ไม่แสดงพฤติกรรมออกมาแล้วแม้จะปริยุทธา์ฐานใน ด, ด้านจิตใจเราเป็นคนใจดีมีเยียกเย็นเห็นอะไรแหมศรัทธาเกิดขึ้นวิิติแต่ละวันเนี่ยนะแล่นศรัทธาขึ้นเราก็ยังรู้สึกว่าความไม่ปลอดภัยเรายังมีอยู่เพียงแค่เราเดินสัพพลิสธรรมได้เท่านั้นเองแต่สถานการณ์ที่เราจะทาจิตให้แข็งแรงมั่นคงแล้วใช้ญาณปัญญาไปถ่ายถอนขจัดเชื้อ คอเหมือนไอตัวหัวไม่ขีดเนี่ยถ้าเอาหัวไม่ขีดเนี่ยไปจุ่มสารเคมีชนิดที่ว่าไปทำให้มันหมดปฏิกิริยาเอาไปขีดกับอะไรก็ไม่ติดแล้วปลอดภัยไอ้ตรงนั้นมันจะปลอดภัยตรงนั้ น, นมันจะรู้ตัวเองไมันจะรู้ตัวเองทต่ดีว่าตอนเนี้ย มันจะมีความรู้สึกว่าเวลามีใครมาชมนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครมาชมเราโอ้คุณเป็นคนดีนะมันจะไม่เหลือเนนะี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแค่คุณพูดเนี่ย <c oughs> การมาลาขาดูใสฉยยังก็เกิดแล้วความยินดีเพื่อเพลยังก็ตั้งขึ้นแล้วในโชวนาตั้งขึ้นดันดีฟูขึ้นดันดีใช่ไหม <c oughs> แค่มีใครมาตําหนิแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยเรายังบอกว่าโอย บางทีมันจะต้องบอกเขาว่าโ อ, โอ้คุณคุณยังไม่รู้จักฉันเนาะอย่าพูดยิงไงและเราจะเห็นความความที่หมูสัตว์ทั้งหลายนีย่เป็นผู้ไม่ปลอดภัยแต่มันจะเห็นเชื้อตรงเนี้ยนะในขณะที่บอกว่าถ้าอนุสัยกิเลสมันมันตั้งขึ้นลุกลามไปสู่ปริจจทันนะ ด้วยชาวนาะในขณะนั้นนะถ้าสามารถข่มได้ด้วยสับบุริสธรรมอนุสัยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่สามารถข่มได้ในระดับปริยุทธานะมันลุกลามไปเรื่อยๆมีกําลังมากแล้วก็กลายเป็นทุจริตต่างๆก็เป็นวีติกามาภูมิมันก็เข้าสู่ในภูมิเหมือนการกายจทุจริตวิจิทุจิตขึ้นมา ท, าทันทีมองอย่างนี้นะนี่เป็นอย่าง เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า <c oughs> เริ่มรู้จักไอ้กำลังของตัวอนุสัยต่างตรงตัวนี้เกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวดูดูการเกิดขึ้นของเขาในจุดต่างๆแล้วก็ที่พระเถระท่านขยาย ว่าสัญญาทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> พระริจ่าบอกว่าสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงามพราหมณ์ทั้งพราหมณ์นั้นผู้ปราศจากความทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทะยานในพบน้อยและพบใหญ่ <c oughs> แล้วก็ตราสแก่พิการุทั้งหลายต่อไปบอกว่าแ <c oughs> ง่ต่างๆแห่งปัปปญญัสัญญาย่อมครอบงามบุุษ เพราะบุคคลใดถ้าสิ่งที่บุคคลนั้นจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในพ่อเหตุนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถดับอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานทั้ง7ประการได้เป็นต้นตัวนี้หมายความว่าการมาราคาอนุสัยได้แก่ความกำหนัดในกามใช่ไอันนี้ตัวโลภะปฏิคาอนุสัยความหมงุดหงิดความไม่พอใจเนี่ยอันนี้ว่าโดยสภาวะของเขานะ่ยเขาเป็นอนุสัยเขาก็มีสภาวะอย่างนี้ ในตัวของเขาเองอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่ขึ้นสู่ชวนะเพื่อทํากิจแต่ให้รู้เขาว่าเขาเป็นแบบนี้ถ้าเขามาทํากิจในชาวนะเขาก็จะกําหนัดในการมถ้าเป็นการมาลาคาโนสัยถ้าเป็นปฏิคานุสัยเขาก็จะมาหงุดหงิดไม่พอใจถ้ามาทําทําทําปริยุทธานะมาทําในชาวนะกิจทิศฐานุสัยหรือทิศทีเนี่ยเขาก็มาเห็นผิดวิจิกิจฉาเนืสายก็ลังเลสงสยัยมานางนุัยก็ถือตัวเพระเพราะว่าราคานุสัยก็ติดในภพติดในขัน อวิชานุสัยก็คือไม่รู้แจ้งทีนี้และยังระ ง, งับเหตุที่ไม่ดีที่ทั้งหลายแห่งการถือท่อนไม้เป็นถ้าเราระ ง, งับนะบุคคลที่ระ ง, งับอนุสัยได้แล้วปรัจจัยฐานะก็ถือว่าระ ง, งับวีติกมะในการที่แสดงออกในการที่จะมายการถือไม้สือสาตาตาทะรล การแข่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุโยงการกล่าวเท็จบาปอักุระกรรมันชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันจะดับไปด้วยไม่มีเหตุด้วยไม่มีโดยไ ม, ม่มีเหลือด้วยเหตุนั้นที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอนุสัยที่พระเจ้าตรัสในมัทุ ป, ปินที่กัสสูตรเนี่ยพระองค์แสดงถึงผลของการที่บุคคลผู้ไม่ถูกสัญญาครอบงำก็จะพ้นจากอนุสัยกิเลสได้ คือถ้าไม่มีการมสัญญาภาวะบาสัญญาวิหิงสาสัญญาเป็นต้นเนี่ ย, ยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จหลีกไปใช่ไหมแล้วภิกษุก็ขอให้พระหมหากัะจียนะแสดงโดยพิสดารท่านก็ยอมแสดงตามธรรมคำขอท่านก็ได้แสดงปฏิจจสุบาทแห่งปปั ญ, ญาสัญญาสังขาสมุ ท, มทาจารณะ พระมหากัจจายนะแสดงถึงการเกิดและการดับของปปัญยสัญญาท่านแสดงยังไงท่านแสดงอย่างนี้เพราะอาศัยตาและรูปแสดงตามอายะตนาอย่างนี้นะทั้งหลายด้วยจึงเกิดจกักรุญญาณการประจวบพร้อมกันอย่งธรสามประการก็คือตารูปและจกักรุญญาณนั่นแหละเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา พะภาษาเกิดเป็นปัจจัยปุ๊บก็มีเวทนาแล้วบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดย่อมรู้สึกก็คือจำหมายในสัญญานั้นีะเป็นสัญญาด้วยนะสัญญากับเวทนาเกิดร่วมแล้วเมื่อบุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตรึกก็คือวิตกอยู่ในเวทนานั้นเมื่อบุคคลตรึกอยู่เวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าประปัญจสัญญาอยู่กับเวทนานั้น เมื่อบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่ในเวทนาใดสัญญากาวคืออนุใสชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องกระทำความเนื่นช้าประปัญจะสัญญาสังขารเนี่ยย่อมกุ้มรุมซึ่งบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันพอมองเห็นไหมขยายไหม คืออย่างนี้พระเทละท่านแสดงอย่างนี้ท่านแสดงบอกว่าเวลาเห็นใช่ั้ยที่จริงมันเป็นไปตามสภาวะของมันอย่างนี้หนึ่งจักรุปศาสตรสองสีรูปารมณ์สามจักขคุญญาณพอประจวบทำสามประการนี้ก็กลายเป็นผรษะทีนี้ผรษาเนี่ยพอพรรษา ก็เป็นปัจจัยก่ับเวทนาเพราะบุคคลสวยซึ่งเวทนาใดก็รู้สึกก็คือจำสัญญาก็มาแล้วซึ่งเวทแท้จริงตรงนี้นะเวลาท่านแสดงเนะี่ยท่านแสดงเป็นไปตามแนวธรรมะแต่ที่จริงเนี่ยนะในตัวจักรกุญญานที่เกิดขึ้นผัสสะก็มีเวทนาก็มีสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตจรียมณสิการมีไหมมีเลยที่จริงมี มีตั้งเยอะแต่ท่านแสดงแนวธรรมะชี้ที่เด่นขึ้นมาใช่ไหมตัวเด่นคือผัสสะปรากฏเวทนาปรากฏสัญญาปรากฏวิตกปรากฏใช่ไหมแล้วก็ปปันจะสัญญาที่ทีนี้ตัวผัสสะเวทนาสัญญาเจตนากลุ่มต่างตเหล่านี้ที่เกิดในจกรรักรุญญาณสมบัติชนะสันติไรนะเ น, นี่ยตรงนี้ตัว ตัวปปปัญจสัญญาก็ดีตัวกิเลสตัวตัณหามนทิฏฐิปัปัญญธรรมยังไม่เกิดเพราะปัปปัญญธรรมจะไปเกิดในโชนะนู้น ون. แต่ท่านแสดงตรงนี้ก่อนแต่เพราะเหตุที่ยังมีอนุสัยมีการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยเป็นต้นที่ปุถุชนยังละไม่ได้และเมื่อมันยังละไม่ได้เนี่ยมันก็เลยฝังเป็นขันธสันดานมา ทีนี้พอฝังเป็นขันตสันดานมาที่เคยสืบต่อมาในอดีตทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้พอเรามาเห็นปุ๊บสมมุติเราเห็นกล่องใน ท, ทิชชู่เนี่ยใช่ไหมแต่คนคนนั้นเนี่ยเคยสั่งสมอนุสัยมีทุกตัวอยู่แล้วแต่ตัวไหนมันเด่นในอดีตพอมาเห็นจากขูวิญญาณสัมปติชนะสันติแล้วนะพอถึงโ้วธทพนาเนี่ยมันมนสิการผิดมันชํานาญไง มันคุ้นเคยมันถูกกระตุ้นเตือนจากสัญญามานาสิการตัวนั้นปะปันจะสัญญามันคุ้นเคยมากเพราะเห็นกล่องอันนี้ทีไรแล้วมันนึกถึงนึกถึงการที่เราเราเคยทําห้องนอนเนี่ยเพราะเห็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปะปัญจะสัญญาทั้งหลายมันมากระตุ้นทําให้เราน้อมในการที่จะมานาสิการเพื่อจะทําให้โลภะเกิดเพื่อจะทําให้ทิฏฐิเกิดเพื่อจะเป็นปัจจัยไพื่อทำให้มานาเกิดมองเห็นไหม โอ้โหแต่เนี้ยพอชาวนะนี้เกิดปุ๊บขึ้นมาแต่เนี้ยโอ้โหมาชัดเลยความงามมาเลยแต่เนี้ยหรือมาอย่างนั้นก็ความกโกรธก็มาก็ได้คือมันอย่างนี้ที่ที่พูดตรงนี้ให้เห็นก็คือว่าไอตัวเวททะพนตัวเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ทันแล้ ว, ลวมันเป็นชาวนะที่มีกำลังอ่อนจัด เ, เขาไปเปลี่ยนในมโน มโนหลังๆก็ได้มันโนก่อนๆมันโนที่จะเกิดในอนาคตก็ต้องเป็นมนาศิการที่มโนด้วยเนี่ยตัวมนาศิการจริงๆพราะมนาศิการที่มโนจนแข็งแรงใช่ไหมเป็นเป็นโยนิโสมนาศิการเพื่อทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นมนาศิการที่เพื่อทําให้วิริยะเกิดขึ้นมนาศิการเพื่อทําให้สติเกิดขึ้นมนาิการเพื่อทําให้สมาธิเกิดขึ้นมนาศิการเพื่อจะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆจากการฟังจากการเรียนทั้งหลายเลยเนี่ยนันมีพลังเรื่อยๆๆในเข้าในเข้าเนี่ยมันมีพลังกลับมาใหม่ย้อนกลับมาหลังๆจากอดีตนี่แหละ พอมาเบ็ดเสร็จว่าจากขูสัมภาษณเกิดขึ้นปบสัมปติชนะสันติชนะโวอดธรรมะมันมีพลังมาเองไอตัวนี้มันอ่อนแออยู่แล้วไงเพราะอยู่ในปัญจทวารวิถีแต่มันได้รับการอุปการะจากชาวะในมโนนู้น่มโนทวานก่อนๆชาวะที่เป็นกุศลก่อนๆพอมาถึงตรงเนี้มันก็น้อมไปศรัทธาเกิดน้อมไปความเพียรเกิดแม้ในในชาวะในปัญจ ทีนี้พอลงสมโนไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นล่องมันเป็นทางเดินที่เป็นไปเกิดการศรัทธาเกิดง่ายเลยคนๆนั้นเฮ้อบางคนทำไมไอ้พวกก็จะโกรธใช่ไหมไอ้คนนี้มันไม่โกรธตามอ่ะเพราะมันไม่มันมันมันโยนที่สองมนราชการมาดีมากเลก็ไปโกรธเพื่อนอีกทำไมไม่โกรธตามกู ไอ้เจ้านี้โอ้โหกว่าจะน้มน้าวให้ผัสสะเชื่อเวทนาสัญญาสัญใช่ไหมผัสสะเวทน า, านสัญญาเจตนาเอกัตตาชีวิตติมน า, ตานัสการวิโตวิจารหรือที่ว่าวิเดียปิติชนทะกว่าจะมานัสการให้เหตุปัจจัยกล่อมขัดเกลาให้เชื่อศรัทธานะให้เชื่อโชว์หนะในศรัทธาให้เ ช, ช, ชื่อความเพียรที่ถูกต้องให้มีความให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาที่ถูกต้องเป็นเลย ก็จะขัดเกากล่ำเ ก, กาเนี่ยเอาพวกนี้ไปอบลมแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วทากิจกรรมให้เขาเกิดบ่อยๆจนเขารู้สึกว่ากูไม่ไปหาโลภะอีกแล้วเขาไม่ไปแล้วโลภะชวนยังไงรู้สึกเบามากเลยแต่ตอนนี้อย่าชวนชวนมันโดดผึงออกไปเลยเริ่มได้ยังวิธีเริ่มเห็นไหม เ, เห็นไหมว่ามันอยู่ที่การที่เราจะต้อง ให้เหตุปัจจัยอบรมทุกตัวในอัญญสมานะนี่สําคัญมากขาดเขามา่อไรบรรลุไม่ได้เขาอ่อนแอก็ บ, บรรลุไม่ได้ต้องให้เหตุปัจจัยอบรมเขาแล้วแล้วเรเล่าให้เขาไปสมาคมกับศรัทธาให้เขาไปสมาคมกับสติให้สมาคมกับความไม่โลภความไม่โกรธให้สมาคมกับปัญญาให้สมาคมกับกายปัจสถานิจิตตปัจสถานิกายยะร ะ, ะหูต า, า, ตาจิตตะระหูตากายยะมุตุตาจิตตมุทุตาเป็นต้นเนี่ย จนถึงกายุชุกตาจิตตุชุกตาสมาวิยาสมากระตายสมาโยปัญญาให้เขาสมาคมกับสิ่งเนี้ยแล้วแล้วเราเจัดกิจกรรมถ้าเขาไม่เขาไม่มาเองจัดกิจกรรมเป็นตัวเป็นอุปกรณ์จัดไหว้พระจัดสวดมนต์จัดอะไรทาไปกิจกรรมนี้รู้สึกเขาไม่เกิดทํากิจกรรมที่เขาเกิดทําแล้วแล้วเล่าอย่าทํำในข้างนอกให้คํานึงถึงข้างในนี่ผักออกไม้เป็นเนื้อเป็นตัวได้ให้มันรู้สึกว่ามันแข็งแรงให้มันตั้งมั่นให้ได้ ถ้าทําอย่างนี้ทีไรเนะี่ยรู้สึกโอ้โหมันแข็งแรงแล้วอย่างนี้เป็ตนตุนลนี่เขาเรียกมโนธรรมนี่ยเป็นกุศลแล้วตอนนี้ยกุศลมันเกิดง่ายมากเลยตอนนี้ยแค่คิดก็เกิดแค่คิดก็เกิดบางทีไม่ต้องคิดมันถูกดึงไปเกี่ับเรื่องนี้จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัวกันเลถ้าเป็นขนาดนี้แล้วแปลว่ามันโอเคแล้วนะมันมันคล้ายๆว่ามันบ่ายหน้าไปทางนี้แล้วแล้วมันลาดลึก มันลาดลึกลงไปรุ่มลึกลงไปตามลำดับมันดิ่งก็ไปาไปไ ป, ไปพ้นอพานแล้วเนี่นะไม่เป็นกุศลสังขารแล้วแต่เป็นไปเป็นมัชิมาปฏิปทานยิงมันดิ่งคือดึงกลับไม่กลับแต่ทําจนถึงขนาดว่าเรียกก็ไม่กลับโลภะเรียกยังไงโทรศัพท์ขานเรียกยังไงไม่กลับเลยถึงขนาดนั้นนี่ยังบางทีนมันยังอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยประเภทที่ว่า ไอ้แปดสิบปอร์เซ็นตมันมาทางกิเลสเนี่ยใช่ไหมมาจะปัน่นปันยัยี่สิบปอร์เซ็นเองเนี่ยมาจนขนาดนี้แล้วจนอายุปูนนี้แล้วเนี่ยเรายังที่จริงมันควรว่าแปดสิเปอร์เซ็นตมันต้องไปทางทางด้านของของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปทางด้านมัจจิมาปฏิปทาใช่ไหมสติปัฏฐานสมาธิปัฏฐา น, ม, ฐานมันต้องไปทางนี้นะแปดสิบอร์เซ็ตเนี่ย 20% ิบเอร์เซนต์มันก็ยังมีเหลือเหลือบถ้าอย่างนี้ปลอดภัยระดับอย่างมากเลยนะแบบนี้แต่ถ้าบอกยอมยังห้าสิบสิบไม่ปลอดภัย6กสิบสี่สิบยิ่งไม่ต้องพูดถึงสามสิบเจ็ดสิบเท่าไรดีไหนเท่าไหร่กุศลเท่าไหร่เนี่ยฮะ 24, 24, โอโ้โหไม่อยากครบเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไปปลอดภัยสิยังมีเท่าไหร่ ออเลยอย่เยยจ็บนลยยอมเกียรเท่าไหร่อย่างนีก็ก็ก็ทำทุกคนนะจ้าค่ะ <c oughs> ไม่ไม่มันมันช่างถ้าพูดตรงนี้แล้วเริ่มจะช่างใจตัวเองได้แล้วจริงๆริงนะทุกคนเริ่มรู้แล้วนะว่าตัวเองจะทํำยังไงใช่ไหมจะโน้มน้าวยังไงที่จะทําให้ตนเองตนเอง ม, ม, มันมันมันลาดไปโอนไปเงื้อมไปลาดไปโอนไปเงื้อมไปถายเทไปทางด้านนี้โดยส่วนเดียวจริงๆแล้วอักษรกูไม่กลับ จริงๆถ้า<笑>อย่างเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดแล้วมันจะมุ่งมัน่นทุกวันทุกคืนแล้วรู้สึกหมื่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยชัดพอเสียงเรียกของเขาเบาลงไม่ประทับใจแล้วเสียงเรียกของกามราคาโนสัยคือการ拉าคาโนสายมันมีอยู่ก็จริงแต่มันไม่มีพลังพอที่จะผลิตปริยฐานะไม่สามารถที่จะกระตุ้นขึ้นมาสู่ชวนะได้ไม่สามารถทํำชาวนากิจได้เรารู้ถ้าอย่างเงี้ย มันปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะคือมันมีอยู่เรารู้อยู่เพราะเรายังละไม่ได้เด็ดขาดมีไม่ทำะารมักแต่เสียงของมันเบามากเสียงของมันเบามากแล้วมันไม่มีรสชาติแล้วการมาราคะไม่มีรสชาติเหมือนเก่าก่อนปฏิค้าไม่มีรสชาติาาาตทิฏฐิมานะวิจิกิชา้าภวะราคาอวิชชารสชาติอ่อนแอมาก กรณีอย่างนี้เขาใช้คำว่าปลอดภัยเพียงพบเดียวแค่พบเดียวนะแค่พบเดียวไปพบหน้าคุณต้องไม่เหนื่อยอีกเยอะ <c oughs> ค่อยๆพูดไปจะได้ไม่เครียดเนี <c oughs> <c oughs> ่ยปลอดภัยพบเดียวนะที่ประเภทอย่างนี้แล้วนะประเภทที่โอเคแล้วโอ้โหมันไม่ไปเลยทั้งบาปทั้งอกุศลนะมันรู้สึกว่าเด็ดขาดมากแข็งแรงมาก ถูกโอโลมปฏิลมถูกการชักจูงยังไงไม่ไปเกี้ยกล่อมให้โลภไม่โลภเกี้ยกล่อมให้โกรธก็ไม่โกรธเกลี้ยก่อมให้มานะเกิดก็ไม่เกิดเกี้ยก่อมให้ทิฏฐิเกิดก็ไม่เกิดเกลี้ยกล่อมให้เกิดลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติไม่ไปว่างกันนะขนาดนั้นเลยนะเกลี้ยกล่อมให้ติดในขันในภพเนี่ยไม่เอาจริงจิงเนี่ยบอกว่าเอออันนี้มันน่าเพลิดเพลินยินดีมันมันมันน่าจะมัวเมาลุ่มหลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วกรณีอย่างนี้นะ คือไม่สามารถเอ่ยยกขึ้นสู่ปริยุทธานะได้ได้นิดมากได้พบนิดเดียวดิบละทันทีละทันทีทนทแผ่วเบามากวิติกระไม่ต้องพูดถึงที่มันออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้ทงหลายไม่มีออกมาเลยเนี่ยเนี่ยวงเล็บไว้เลยปลอดภัยหนึ่งพบพบนี้แต่ไม่รับรองพบถัดไปเพราะคนต้องไปเหนื่อยอีกเว้นจะไปเกิดตรงไหนอยู่กับใครมีกัญญาณมิตรไหมสืบต่ อ, อยังไงไม่ว่ากันจริงทีแต่พบนี้โอเคแล้ว แต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ปุ๊บนี่ก็จะไม่รอดก็ได้นเริ่มเห็นอย่างแต่เนี้ยมันจะได้รู้จักตนเองจริงๆเลยมันเป็นอย่างนี้นะคือพอเห็นบาปเกิดขึ้นปุ๊บไม่ลังเหลไม่ลังเหลี๋จากกา น, นบางทีมันรู้สึกมั น, ม, น, ม, น, ม, กกน ม, มันรู้สึกมันคาใจเวลาหงุดหงิดกับใครโกรธกับใครรู้สึกไม่ได้พูดมันรู้สึกมัน พูดตึงนน้อยไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันมันมีพลังเริ่มเห็นไหมอ่าติดทุลับอกว่าติดทุลั ยังอยู่เชียงรายอยู่เลยเนี้เขาจะให้ไปเคหยังไม่เห็นเหตุผลจะไปยังจะเลี่ยคนขวายจะเลนกุศลอยู่หนึ่งเคชนไปไหนไม่าคยไปทีนี้ อย่างที่บอกว่าเพราะผัรษะท่านแสดงตามนัยยะของปฏิจจ์เพราะพัรษาปเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา<อ>เมื่อบุคคลสวยซึ่งเวทนาใดก็รู้สึกจำหมายซึ่งเวทนานั้นสัญญาเกิดไดอยัง<อ>บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดก็ย่อมต ร, ตรึกตริตรึกนะต ร, ตรึกคือวิตกอยู่กับเวทนานั้น ยกยกอยู่ น, นั่นแหละบางคนก็อยู่กับโสมนัสเวทนะบางคนก็ทมนัสเวทนะบางคนก็เบกขาเวทนาบางคนก็สุกเวทนาทุกเวทนาก็ว่าไปเนี่ยอยู่อย่างนั้นนะอย่างยกตัวอย่างอไม่รู้ช่วงนี้ขาไม่รู้เป็นอะไรเนี้ยมันอ ย, อยู่กับไอ้ทุกเวทนะมันวนอยู่ น, นั่นแหละวนวนวนีไ่ไปหาหมอมันไม่หายสักที บางคนก็วนกับหัวใจบ้างวนกับปอดบ้างวนกับตับบ้างใช่มนี่ไอเวทสุขเวททุกขเวทนาบางคนก็ได้สุขเวทนาอยู่กับเราแต่ก็โหวนลรห้อยอยู่กับมันเนี่ยปรุงแต่งซ้อนเสริมอยู่กับ น, นั้นแหละออกจากมันไม่ได้เนี่ยกลุ่มเนี้ยมันมันจากอนุสัยมันมีอยู่มันก็ผลักขึ้นสู่ปริยุทธานะแล้วมันก็ขึ้นสู่ชวนะแล้วก็ผลักมาเป็นวิติกามะ เป็นอย่างหยาบเลยออกมาจากสีหน้าแววตาเลยสังเกตดูมันไม่ใช่แค่แค่ชวนะาอย่างเดียวแล้วมันออกมาจนกลายเป็นระดับหนึ่งมันมีอยู่แล้วพอไปได้เชือ้อพอไปได้เชื้อก็คือได้การกระทบกระทบทางตาสัมผัสทางตาได้เวทนาใดสุขทุกข์หรือเฉยๆทางหูได้เวทนาอะไรสุขทุกข์หรือเฉยๆทางจมูก สุขทุกข์เลยเฉยๆท า, ทางลิ้นสุขทุกข์เลยเฉยๆทางกายสุขทุกข์รือเฉยๆพอเวทนาปุ๊บพอสัมผัสปุ๊บเวทนาพอเวทนาพุ ก, กสัญญาก็จํามาจาสัญญาก็ตรึกนะักเข้าจากตรึกในเวทนาเบ็ดเสร็จนั่นแหละตึกอยู่กับเวทนาใดก็ย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าปับปัญจตัณหาหมุนทิฏฐิมานะ หมุนอยู่ในเรื่องนั้นขยายวงมากขึ้นปั่นป่วนมากขึ้นพิสดารมากขึ้นนะนะกับเรื่องนั้นอยู่ตลอดแล้วมันออกไม่ได้พอพอประพฤติอยู่ซึ่งเวทนาใดทีนี้พอไปๆมาๆไปเสร็จปุ๊บพอหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บมันหมดกำลังลงกุศลมาตัดแทน ปุ๊บกลับกลายเป็นกรารมราคานุสัยกลับกลายเป็นปฏิคานุใสยกลับเป็นมานานุสัยที่ฐานุใสยไปฝังลากลึกไว้เรียบร้อยแล้วมันจมลงประกับไปเป็นอีกซ้อนเสริมอีกเยอะมากเลยที่มันแน่นในขันทสันดานจําได้ไหมพอพอเข้าใจไหมจากเนี้ยมันไม่ได้หายไปนะมันกลับฝังลงสู่ขันทสันดานต่อเป็นกรารมราคานุสัยฝังแน่นอีกเยอะไม่ใช่กรามรมราคานุใสยประเภท เ, เดียว อารมณ์เดียวไม่ใช่อย่างนั้นรับอารมณ์ไว้ล้านอารมณ์การมราคานุใสนั่นแหละมันก็หลังจากกระตุ้นเตือนปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องนี้อย่างมากมายเวลาใดพอเรื่องนี้ดับไปก็จะมีการมราคานุสัสเป็นล้านล้านลล ล, ล, ลฝังติดแน่นในขันทศนันคุณเรียบร้อยแล้วปฏิคานุสก็จะฝังเป็นล้านล ล, ลรับอารมณ์ใหม่กระตุ้นเตือนใหม่ว่ามันก็จะหลุดลงไปเพราะคุณถอนมันไม่ได้ มันก็กลับเป็น่ะุกาตามติดเข้าใจไหมทำไมถึงออกยากมูสั์เป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่ว่าดับไปเลยนะที่แรกเราเนึกว่าฉันเป็นคนโกรธไม่นานหรอกพางั้นจะโกรธปั๊บเดี๋ยวฉันก็หายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแต่จริงๆสังเกตดูดิถ้าเราขัดแย้งกับใคร ทะเลาะกับใครหนึงแล้วบอกว่าเออดีกันแล้วแบบนั้ต่อไปก็ไม่ยุ่งกันนะแต่ตั้งแต่นั้นมาชีวิตปลายกันคนละทางเรียบร้อยฉันไม่โกรธที่จริงมันลงไปสู่เป็นอนุสัยเรียบร้อยแล้วเป็นล้านๆเลยนั่นถึงเข้ามาคุยกันเอ๊ะทําไมมันไม่สนิทใจเหมือนเดิมเลยมองเห็นยังเพราะคุณไม่ชําระมันเนี่ยคุณชําระมันไม่ได้คุณไม่ฉลาดมันฝังเป็นอนุสัยเรียบร้อยแล้ว อยากให้ได้รับอารมณ์นะั้นมันก็พื้ขึ้นมาอีกโอ้โหเตียน้วิจิตมากกว่าเดิมพิสดารมากกว่าเดิมกว้างขวางมากกว่าเดิมมองเห็นยังทุกอารมณ์ทุกเรื่องที่เราให้สัมผัสแล้วมันก็หล่นลงสู่ความเป็นอนุสัยมันจึงติดตามขันทันดานเราไม่จบไม่สิน้นเห็นไหมว่ามันขนาดนึงเอนเป็นขนาดนี้เลยนะ น่าสะพึงกลัวมหมน่าสะพึงกลัวมากอนุสัยมันเป็นแบบนี้ที่ไหนได้ที่แรกมันฟูขึ้นมาตูดโานะออกมาเป็นวิติกามะนึกว่าเรื่องมันจะจบด้วยเหยุที่คุณละมันไม่ได้ถ้าคุณถอนรากโคนมันได้เสียแล้วมันหมดแล้วมันกระจายหายหมดแล้วแต่ที่ไหนได้มันกลับฝังบางแห่งก็ใช้คำว่าสืบฝังลงสู่ผวังกัจิตตัวงนั้นจะไปบอกว่าฝังอยู่อะไรก็ได้ คือการสืบต่อกันของกระแสชีวิตเนี่ยแปลว่าอนุสัยเหล่าเนี้ยมันตามติดคุณละมันไม่ได้ก็ทับถมอยู่อย่างเนี้ยว่า ง, งั้นเลยประพฤตือซึ่งความเนื่นช้าประปันอยู่ในเวทนานั้นบุคคลประพืชซึ่งความเนื่นช้าอยู่ในเวทนาใลสัญญาอนุสัยชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทําให้เนื่นช้า <S <S <S <S เขาเรียกประปันจะสัญญาสังขารเนี่ย ไอตัวไอตัวความเนิ่นช้าในแง่ต่างๆในเรื่องต่างๆในในชิ้นต่างๆก็กุ้มรุมซึ่งบุคคลนั้นอะไรเป็นเหตุเวทนาเป็นเหตุเพราะเวทนาเนี่ยเป็นเหตุว่างั้นเถอะในอะไรในรูปที่เห็นไงเฉนั้นเห็นรูปได้เวทนามันไม่จบตรงเวทนาไงใช่ไหม เวทนามาแล้วตอนนี้สัญญาตามาสัญญาตามาวิตกตามาวิตกตามาตันหามานะทิฏฐิตามาเนี่ยมันมันมันมันมันหมุนอยู่อย่างนี้นทีนีหน้หนักข้าวหนักข้าวมันก็กลายเป็นการมราคานน้สัยในส่วนที่เป็นราคาต่ส่วนที่เป็นโทสะก็เป็นปฏิคาโนุสัย ส่วนที่เป็นทิฏฐิก็เป็นทิฏฐานุสัยส่วนที่เป็นมานะก็เป็นมานานุสัยส่วนที่เป็นวิจิกิจฉาก็เป็นวิจิกิจฉานุสัยส่วนที่เป็นความไม่รู้ก็เป็นอวิชานุสัยส่วนที่จะติดข้องในภพในกันก็เป็นเพราะว่าราคานุสัยต่อไปที่บอกว่าบางส่วนงใช้คำว่าถ้าเห็นแล้วมันกำหนัดเห็นแล้วมันขัดเคืองเห็นแล้วมันลุ่มหลง ถ้าเอาเหล็กแทงตาเนี่ยทะลุเนี่ยมันก็เจ็บมันก็ยังดีกว่าใช่ไห้เราบางทีเราเจอสูตรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระเจ้าเขเล่นแรงเนีในธรรมปริยาญะเนี่ยทําไมเล่นแรงเนี่ยเสียบตาทะลุมันยังเจ็บแค่ชาตินี้ว่างั้นแต่การที่เห็นแล้วกําหนัดเนี่ยเพลิดเพลินยินดีโกรธเนี่ยไม่ดีเลยว่าจะต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัฏไงเราก็ไม่เข้าใจที่ไหนไทยตอนนี้เห็นมาเปิดเผยในมทัทพบปิณฑิกาสูตรนี้เองอันหน่ พอเปิดเผยเห็นว่าโอ้เจ็บปวดแท้นี่คือปัญหาชีวิตที่เรานึกว่าไอตัวนึกว่าตัวอนุัสเนี่ยมันมีข้ามันแล้วมันไม่กลับไปเพิ่มเติมหรือมันไม่ไปต่อเนื่องมันจึงไม่ขาดใช่ไหมอวิชาปอาวิชาสังขารเป็นอติตาอาตา วิญญาณนามรูปสรายยตนาภาษาเวทนาเป็นปัจจุบันอาถาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันเหตุเป็นปัจจุบันอาถาเหมือนกันแล้วก็ชาติชรามรณะเป็นอนาคตอาถาใช่ไหมอวิชชาสังขารเป็นธรรมที่เกิดในพบก่อนวิญญาณนามรูปสรายยตนาภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานภวะนี่เป็นปัจจุบันอาถาในส่วนที่เป็นผลกับส่วนที่เป็นเหตุ ชาติชร า, ามาณะเป็นอนาคตฐานาใช่ไหมอดีตอนาคตปัจจุบันอาวิชาตันหาอุปาทานอาวิชาสังขารตันหาอุปาทานและกรรมเป็นอดีตเหตุใช่ไหมว่าโดยอาการยี่สิบวีย ญ, ญาณมรูปสรายตนะภาษาเวทนาเป็นปัจจุบันผลเป็นธรรมที่เกิดในภพนี้นี่เป็นปัจจุบันผลตันหาอุปาทานแล้วก็กรรมมาภวะ อวิชชาและสังขารเป็นปัจจุบันเหตุวิญญาณนามรูปตรายตนาภาษาเวทนาที่จะเกิดในพรุ่ต่อไปเป็นอนาคตผลไอตัวเชื่อมตัวเงื่อนต่อระหว่งางอวิชชาสังขารไอสังขารกับวิญญาณเนี่ยเป็นเงื่อนต่อหนึ่งใช่ไหมไอเงื่อนต่อก็เรียกส่วนที่ไอตัวสืบต่อตรงนี้เพราะมันมีมันมีอนุใส่เป็นตัวเชื่อมอยู่มันไม่ขาด และเราก็สร้างมันตลอดเนี่นะมันก็เชื่อมทํางไม่พบมันไม่ยอมขาดสักทีพอมาปัจจุบันวิญญาณนำรูปภาษาเวทนาเนี่ยนะมันก็จะเวทนากระตันหาก็มาเชื่อมต่อกันนี่นี่เป็นอีกส่วนที่หนึ่งในปัจจุบันนีพบนี้พอไปถึงภวะมันก็ไปภวะกลับไปตัวชรามารนะชาติชาติกามว่าภาวะกับชาติมันก็เป็นอีกเงื่อนหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยมีสามเงื่อนต่อเลย เนี่ยมันก็มีเงื่อนในตัวเชื่อมตัวเนี้ยมันมันไม่ขาดสักทีมันต้องใช้ครีมใช้มีดระดับอะเรียมาร์กมันตัดมันถึงจะโอ้โหมันถึงจะขาดใช่ไหมล่ะหลักการคืออย่างนั้นเริ่มเริ่มเห็นไหมเนี่ยโดยดูเนี่ย ฉะนั้นทั้งบอกรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาทั้งที่เป็นอนดีตอนาคตและปัจจุบันเนียหมายความว่าในอดีตในอนาคตแม้ในปัจจุบั น, นพอเห็นรูปแต่ละครั้งหนึ่งเี่ในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ปฏิจจสมบูบาทสายเกิดเนี่ยมันก็เป็นข้างมันใหญ่ยิ่ยงนี้แล้วมันสร้างปัญหามาก เนี่ยสร้างปัญหามากเลยนี่เนี้อทวารตาทวารเดียวนะทีนี้พอทวารหูอ่ะพอทวารหูเกิดขึ้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละโสตประสาทสัทธารม์โสตวิญญาณไอ้สามอย่างประชุมกันเขาเรียกพัสสะเขาเรียกโสตสัมพัสส ะ, ะ, ะพอโสตสัมพัสสะไปก็เป็นปัจจัยกับโสาสัมผัสชาเวทนาใช่ไหม บุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดาเอาแล้วทอนี้ก็รู้สึกกับสัญญาจําซึ่งเวทนาเมื <ME> 네่อบุคคลเนี่ยรู้สึกซึ่งเวทนาใดาก็ตึกวิตกก็อยู่กับเวทนาเมื네่อบุคคลเนี่ยตึกอยู่กับเวทนาใดก็ย่อมประพฤติซึ่งความเนื่อนช้าคือปัปปัญจะอยู่กับเวทนานั้นบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่อนช้าอยู่ในเวทนาใดสัญญาเอาล้ะ มันพอหลังจากพิสดารเกี่ยวกับในเรื่องของการได้ยินนะการได้ยินการเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงสัตว์เสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเสียงด่าเสียงชมเสียงอะไรเยอะแยะที่เราเราเกิดขึ้นกันแล้วเนี่ยมันก็จะมันจะประพฤติอยู่เนื่นช้าอยู่วนวกวนอยู่สับสนอยู่ด้วยตัณหาด้วยมานาทิฏฐิปันปวนอยู่กับกับไอเวทนานั้นนะสัญญานี่ยนะ กล่าวคือสัญญานี่นกล่าวคือเป็นอนุสัยชนิดต่างๆจากการฟังจากการได้ยินการมราคานุใสให้สังเกตดูนะว่าเวลาเราได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นมาที่มันไปกระตุ้นการมราคะถ้ามีการมราคาอนุัยอยู่มันไปกระทบปุ๊บขึ้นมามนุษยการผิดเมื่ อ, อไหร่ปุ๊บการมราคะเป็นชวนะกลายเป็นการมราคะเกิดขึ้นที่ชวนะตั้งขึ้นที่ททททมโน ที่ชาวนาจิตแล้วพอผลักดันออกมาเป็นพฤติกรรมเนี่ยก็โหยวิ่งกันหมดซึ่งเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้อะไรเนี่ยคิดดูมันไม่ใช่ปานป่วนแค่ชั่วโมงเดียวนะไม่ใช่เหนื่อยแค่ชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวนะมันขวนขวายกันโอ้โหบางทีแค่แค่เราเราไปมีครอบครัวมีลูกลองคิดดูเราเกี่ยวเวทนาอะไรอ่ะนะเที่มไหการบราคะ การาราคาโน้สัยผักดันให้เกิดการบาราคาที่โฉนนะปฏิการโน้สัยผักดันให้เกิดปฏิฆะที่โฉนนะมานานุน้ตใผักดันให้เกิดมานาที่โฉนนะทิฏฐานุน้ตใผักดันให้เกิดเป็นทิฏฐิที่โฉนนะภาวะราคาโน้สัยผักดันให้เกิดการยึดมั่นในขันยึดมั่นในในลูกในสบูตร side, ในสามีในภรรยาเนี่ยอวิชาโน้สัยก็ทําให้งงมึนใช่ไหมแล้วขึ้นสู่โฉนนะผักดันออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นวีติกรรมะเยอะไหม เยอะมากเป็นอุปศุกรรมไหมเป็นมากเพราะจบแต่ละกรณีก็กลายเป็นเป็นสัญญาเป็นลงสู่เป็นอนุสัยสืบต่อไปฝังแน่นเป็นขันธสันดานเป็นอัธยาศัยเป็นอนุสัยเป็นอัธยาศัยเป็นอนุสัยที่พระทเจ้ามีอาศยานุสยาานเนี่ยพระเจ้ารู้ตรงนี้พวกเราเนี่ยพระเจ้ารู้ตรงนี้มียานพระยานตรงนี้มองเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเห็น ตลอดสายลสมสมมเลยเอือสร้างสมอะไรมาคือเห็นแล้วมันสยดสยองเไี่ไม่เคยรู้เนืรู้ตัวทําอะไรกันมาเนี่ยโรครุมเร้าเลอะเทอหมดใช่ไหมละ่ะเหมือนคนเป็นโรคเขาเรียกอะไรรู้ไหมถ้าเราเห็นคนพิการซ้ําซ้อนเนี่ยทางด้านรูปกายไอ้นี่พิการซ้ําซ้อนทางด้านจิตกิเลสมันเป็นปัปันจะทํำอะ มันเป็นประปันจัดสัญญาณเป็นการพิการซ้ําซ้อนจัดเพียบหมดเลยไม่รู้จะแก้โรคไหนก่อนก็้า ใ, ใช่ไหมมันป่วยหลายโรคซ้ําซ้อนกั น, น่ะตาก็พิการหูก็พิการจมกูกพิการปากแหวนเพดานโว เ, นเดินไม่ได้อต่างหากนอกแงกนอกแง ก, งอกไอ้นี้โออะไรจริตอะไรเนี่ <c oughs> เพียบเข้าใจคําว่าพิการซ้ําซ้อนทางความคิดไหมต้อง ถ้าไม่มีศัพท์พญุตรยานเราจะไม่เคยรู้ตัวเราเองว่าเราป่วยขนาดนั้นสมควรที่จะดื่มธรรมโอสซนหรือยั ง, ต, งต้องใส่ต้อ ง, ต, อองต้องทอใส่ยางไวต้องฟังตลอดเลยนะกลุ่มนี้ต้องปังตลอดเลยนะ้าเป็นงั้นจริงไหม <laughs> นี่ผู้ได้เห็น โอ้ยยั ง, ย ง, ยงไม่ได้ไม่ได้ิดสัญญาคือคือตรงนี้ให้ให้เห็นก่อนนะว่าอันนี้นี่นี่เจาะเข้าไปเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเาอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตเมื่อเมื่อสัญญามนุิการเหล่านี้ปปปันจะทำเหล่านี้ปปันจะสัญญาเหล่านี้มันยังมีอิทธิพลอยู่อย่างนี้สัญญาที่มันเป็นไปในส่วนของของอนุสัย สัญญาที่เป็นส่วนไปไปยึดฐานะพักดันให้เป็นวิติกรมะใช่ไหมเรามันมีทั้งสามระดับเลยนี่นี้เนี่ยนี่คือปัญหาแล้วมันยึดโยงกันหมด <c oughs> มันถึงฝังแน่นบางทีมันเจอเรื่องอะไรบางทีโอ้ยทำไมเราประทับใจ <c oughs> <c oughs> ทำไมเรากับคนนี้ทำไมรู้สึกมันมันขัดเคืองตลอดนมันเป็นข้อ ตอนนี้เราได้คําตอบแล้วว่ามันมาจากอีกอไอไกิเลศกลุ่มเหล่านี้เนี้ยซังสาระวาดมันมันเป็นอย่างนี้มันน่ากลัวน่าสะพึงกลัวก็ตรงนี้แล้วนี่แหละ <c oughs> ทางทวารทุกทวารหมดลองคิดดูดีว่าท่านจึงใช้คําว่าแทงที่ตาแทงที่หูแทงที่จมูกแทงที่ลิ้นลอกแผ่นกายออกหรือปักหัวใจมันมันทกนะ ทุแค่อัตภาพนี้แต่การกําหนดการขัดเครืองการลุ่มหลงจากการเห็นการได้ยินการได้กินทั้งหลายที่มันไปกระทบแผ่นขีดเมื่อไรเหมือนเหมือนกับไปเหมือนกับหัวไม่ขีดกระทบแล้วมันลุกขึ้นแล้วมันไม่มันไม่การไม่ขีดไหมมือไม่กองขยะไม่บ้านไม่เมืองไม่ประเทศมันขนาดนั้นประเด็นก็คือว่าอย่าไปเมียมนะถ้าลองคิดว่าไปเราก็ไปทําบุญเงี้ยบูชาพระเจ้าใหญ่เลย โอเพราะไม่มารสการไม่ฉลาดนี่หละพอไปเป็นใหญ่ขึ้นมาโอ้โหที่ตัวนี้มันก็ทำลายเลยเพราะไอ้อนุสัยมันยังฝังอยู่มันได้เหตุปัจจัยขึ้นมามันไม่ได้น้อมออกจากทุกแล้วแต่ฉะนั้นถึงบอกว่ า, วาให้มิจฉาทิฏฐิบุคคลไปทำบุญระดับใหญ่ก็ อ, อันตรายกับเขาและกับบุคคลอื่นเลยในชะ่ไหมลรา เหมือนไอตัวไอตัวมัฉริยะปฏิฆาอนุสัยมันจะแยกเป็นตัวมัฉริยะมันจะแยกเป็นกุกุจักไอตัวมัฉริยะเวลามันมันมันมันจากเป็นอนุสัยมันอยู่กลุ่มปฏิฆามันฝังแน่นมากใช่ไหมไอตัวมัฉริยะเนี่ยพอมันกุ้มรุมออกมาเป็นสู่โฉนะมันก็คิด นั่งหวงที่ต่อหน้าก่อนหน้ามันเป็นเจริญกุศลมากมากมากมันเกิดมาเป็นคนยิ่งใหญ่มีทรัพย์เยอะมันเหมือนอบบที่จริงสระน้ําใหญ่เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาในในกลางเมืองเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนอย่างมากใช่ไหมใครก็มาตากโอ้โหมันแปลงพลังบุญของคนคนเดียวเนี่ยแต่เจ้าเนี้ยมันเหมือนสระน้ําอยู่กลางป่าแล้วมีอามนุษย์เฝ้าอยู่อันมัจฉริยะมันนั้นอามนุษย์มันไม่ให้ใคร มันเป็นประโยชน์ไหมเนะี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเนะทรัพย์ที่ได้มานะเนี่ยเผลอๆตัวเองยังกินน้อยๆยมันห่วงขนาดนั้นนะบางคนทั้งคนบางคนมันกอดทรัพย์อยู่งั้นแหละอันนี้ใครเห็นไหมปฏิฆานุสัยที่มันผักออกมาเป็นในเป็นเป็นมัฉริยะในในในชาวนะแล้วก็เป็นผักออกมาเป็นพฤติกรรมมันห่วงก็หมดให้คนเฝ้าสร้างบ้านอย่างใหญ่โตมันมีแต่คนเฝ้าอยู่นั่นแหละมันจะให้ชาบ้านจนๆอยู่ให้ได้รับประโยชน์ไม่ได้นะ มีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่เหมือนสารน้ําใหญ่มันอยู่นู้นนี่อยู่ในปา่าอ่ามนุษย์เฝ้าอยู่นั่นแหละแทนที่มนุษย์คนบางคนไม่มีที่สักกระแบดนึงจดได้ประโยชน์ก็ไม่ได้เห็นไหมยังมันมันมันโหดร้ายขนาดนั้นนะไี่มีประโยชน์อะไรเลยอะมองเห็นไหมเนี่ยมันมันมันมันผักออกมาขนาดนั้นอันนี้นี่อันนี้ขนาดไปได้ดิบได้ดีทีนี้ถ้าลองไปเป็นมีอํานาจ ขนาดเป็นผู้นำขึ้นมาโอ้โหแต่เนี่ยพวกพ้องได้อย่างอื่นโอ้โหอยู่กันอย่างลำบากยากเขียนกันเลยว่ากันเดมันขนาดนั้นเนะยเพราะมันมาจากไอ้ตัวมันชำระไอ้ต่กุศลเก่ามันให้ผลหนักใช่ไหมมันเกิดมามันยิ่งใหญ่มากเลยมันเป็นโทษแกตนเองไม่พอยังเป็นโทษกับคนอื่น ประโยชน์ของซับเนี่ยแทนที่มันจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นทั้งหลายมันไม่เป็นเลยท น, นี่เริ่มมองเห็นไหมว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามองนี้ก็ได้เห็นว่าโอ้โหไอตัวการมราคะปฏิคะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มอนุสัยจนถึงอวิชชาเนี่ยถ้ามันได้เหตุปัจจัย ก็คือมนสิการนี้ในปัจจุบันนี้แหละเป็นตัวเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเปิดเพราะมันก็มีหัวไม่ขีดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปกระทบกับแผ่นขีดมันไม่ลุกเป็นไฟใช่ไหมทีนี้แต่พอไปกระทบหรือไปขีดกับแผ่นขีดมันก็ลุกเป็นไฟแต่กรณีที่อนุสัยกิเลสเนี่ย อนุสัยกิเลสเนี่ยเวลามันเกิดขึ้น ม, มันไปได้เหตุปัจจัยขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นสู่เป็นปริยุทธานภูมิอนุสัยภูมิปริยุทธานภูมิวิติกามภูมิมันจะมีสามภูมิมันในขณะที่เป็นอนุสัยภูมิเนี่ยมันก็มากมายอยู่แล้วใช่ไหมในขณะที่คนทําเรื่องราวต่างๆตั้งหลายเหล่าเนี้ยในขณะที่มันมันพัฒนาไปสู่เป็นปริยุทธานะแล้วก็วิติกามาพอหลังจากตรงนี้ดับไปปุ๊บมันก็มีเพลัง มันก็เป็นพลังในการที่ไปเพาะเชื้อเป็นอนุสัยภูมิสืบต่อไปยิ่งโต ว, วันโตคืนใช่ไหมยิ่งวิจิตพิสดารมากขึ้นมีเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกทวารเป็นแบบนี้พอเข้าใจแลวนะทั้งจากขรทวารรสตัทวารกันนาวารชิวหายทวารจนถึงมโนทวารอาศัยใจและธรรมารมทั้งหลายเนื่องด้วยมโนวิญ ญ, ญาณประจบกัน พร้อมกับสาภาวะธรรมใจธรรมารมณโนวญาณใจคือระวังนะธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่มากระทบมโนวิญญาณมโนวิญญาณเอาตั้งแต่มโนท ว, วารเรชถึงชาวนาเป็นผัสสะก่อนและวผัสสะทีนี้เพราะมีผัสสะเป็นปจัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อบุคคลเสวยซึ่งเวทนาใดก็ความรู้สึกคือสัญญาจําซึ่งเวทนานั้นเมื่อบุคคล บุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดย่อมตริตรึกก็คือวิตกอยู่กับเวทนานั้นเมื่อบุคคลตริตรึกอยู่ในเวทนาใดก็ย่อมประพฤติซึ่งความเนื่นช้าปัปปัญจะอยู่ในเวทนานั้นเมื่อบุคคลประพฤติซึ่งความเนื่นช้าอยู่ในเวทนาสัญญาท่นนานพอไปปรุงแต่งฟ้ามเือจนกลายเป็นพิสดารอย่างกว้างขวางอย่างมากมายบเบ็ดเสร็จจนกลายเป็นปริยุท ธ, ธานะวิติกรรมะ อย่างมากมายอาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงวันเป็นวันหรือหลายๆสืบต่อกันทุกอย่างเนี่ยมันเมื่อดับไปแล้วมันกลายเป็นอัธยาศัยกลายเป็นความคุ้นเคยนั่นแหละเป็นอนุสัยมันกลายเป็นอนุสัยทุกตัวเลยนะมันอยู่ที่ว่าในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยทั้งยินดีเป็นการบราคะไม่ยินร้ายเป็นปฏิฆาเห็นผิดเป็นทิฏฐิ ยกตนชูตนเป็นมันนะมันตามมาเยอะลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉายึดมั่นในขันในอัตภาพตั้งหลายเป็นภาวะราคะไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในเรื่องเรื่องเดียวไม่ใช่เกิดกิเลสกลุ่มเดียวมันอบอกพูดแค่ตัญหามานาทิฏฐิแค่นี้เพราะมาปรบปันจะสัญญาแต่ที่ไหนได้รวมลากอากิเลสทั้งหมดมา มามาเพราะเชื่อมามามาม า, มาฟ้ามเฟือมากระจายผักดันทั้งกายกรรมวิญกรรมมโนกรรมเพียบอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้วเราเล่าไปสร็จทุก แ, แ, แ, แล้วก็สิ้นสุดโฉนะลงเป็นอัตยาศัยขึ้นใหม่สิ้นสุดลงโฉนะลงเป็นอัตยาศัยขึ้นโฉนะใหม่ลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่ตลอดเลยแรงบ้างเบาบ้างแรงบ้างเบาบ้างนะเข้านะเข้ากิจกรรม กิจกรรมประปันจัดสัญญานั้นจบไปสงบไปแต่ฝังเป็นอัธยาศัยเป็นอนุัยอีกมากมายนะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นก็บอกอนุสัยชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่อช้าคือประปันจัดสัญญาสังขารในกลุ่มในแง่ต่างๆในแง่ต่างๆในเรื่องต่างๆนะในกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันอยู่นเนี่ยเนี่ยกุมรุมซึ่งบุรุษนั้น ซึ่งสตรีนั้นโดยมีเวทนาเนี่ยเป็นเหตุตั้นหามานาทิถีวิ่งหาเวทนาอย่างเดียวใช่ไหมมันฟาดฟันในเรื่องเวทนาในธรรมารมทั้งหลายอันพึงรู้แจ้งโดยใจทั้งที่เป็นอดีตในคดปัจจุบันท่านทั้งหลายบุรุษผู้ผู้นั้นหนอเมื่อตามีอยู่เมื่อรูปมีอยู่เมื่อจ้กคุญยานมีอยู่เขาก็จับบัญญัติซึ่งภาษา เขาก็จะบัญญัติซึ่งภาษะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นไปได้ยังไงเมื่อตามีเมื่อตามีเมื่อสีมีเมื่อจักรคุญยาณมีสามอย่างประชุมกันภาษาต้องมีไหมเนี่ยก็ต้องบัญญัติซึ่งภาษะนี่เป็นฐานะที่มีได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่บัญญัติภาษะเพราะตาไม่บอดเพราะรูปมีเพราะจักรคุญานมีเนี่ยเขาก็บัญญัติซึ่งซึ่งภาษะ ทีนี้เมื่อการบัญญัติซึ่งภาษามีอยู่ถ้าบัญญัติเกิดขึ้นมาภาษาเกิดขึ้นมาแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ที่เป็นการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะบัญญัติซึ่งเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาทุกเวทนาเวขาเวทนาเนี่ยบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ไหมเข้าใจคํานี้ไหมเป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาจะบัญญัติซึ่งอะไร สัญญาสัญญาบัญญัติข้อนี้ก็เป็นมีฐานเป็นฐานะที่มีได้เมื่อเขาบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู่เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญาเขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็จับบัญญัติซึ่งปะปัญจสัญญาสังขาร สมุทาจารณบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ก็หมายความว่าในปรปัญจสัญญาที่เกิดร่วมกับตันหาที่เกิดร่วมกับมานะที่เกิดร่วมกับทิฏฐิในแง่ต่างๆในแง่อะไรสีอะไรสีของบ้านสีของรถสีของที่ดินสีของบุตรสีของภรรยาในแง่ต่างๆในเรื่องต่างจริงไหม กิเลสในเรื่องนั้นในกรณีนั้นขยายวงไปตันป่วนมากมายเนี่ยเป็นไปลักษณะอย่างนี้เป็นฐานะท่านทั้งหลายบุรุษนี่หนอเมื่อเมื่อหูมีอยู่เมื่อเสียงมีอยู่เมื่อโสตวิญญาณมีอยู่เขาก็บัญญัติซึ่งภาษาบัญญัติข้อบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ท่านทั้งหลายบุรุษนั้นหนอเมื่อจมูกมีอยู่ เมื่อกลิ่นมีอยู่เมื่อคานาวิญญาณมีอยู่เขาจะบัญญัติซึ่งภาษะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ท่านทั้งหลายบุรุษนี้เนอเมื่อรินมีอยู่เมื่อรดมีอยู่เมื่อชิวหาวิญญาณมีอยู่เขาก็จะบัญญัติซึ่งภาษะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ท่านทั้งหลายเมื่อกายมีอยู่เมื่อโผฏฐพามีอยู่เมื่อกายยวิญญาณมีอยู่เขาก็จะบัญญัติบัญญัติซึ่งภาษะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีท่านทั้งหลายบุรุษนั้นหนาะเมื่อใจมีอยู่เมื่อธารมณมีออยู่่เมมืโนญาณมีอยู่่เขาก็จะบััญญติซึง ภาษะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะมีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งภาษามีอยู่เขาก็จะบัญญัติซึ่งเวทนาเวทนาบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู่เขาก็จะบัญญัติซึ่งสัญญาเมื่อการบัญญัติสัญญามีอยู่เขาจะบัญญัติซึ่งวิตกเมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู่เขาก็บัญญัติซึ่งปปัญญาสังขารและสมุทรญาลนะบัญญัติข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้พระมหาการยนะท่านก็บอกว่าการแสดง ตนนี้พอท่านแสดงลักษณะนี้คือการเกิดหมดเลยนะทุกทวารเลยแสดงปฏิจจสุบาททางสายจักขุปภาษาจักรูทวารโซตัทว า, การกันนะทวารยุหะทวารกายจะถึงมโนท ว, วารสายเกิดหมดแล้วนะไอ้ความเกิดขึ้นฟ้ามเฟือของบาปอากุศลและกามันชั่วร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นด้วยการอย่างนี้ท่านแสดงให้เห็นโทษทั้งหมดเลยพระเห็นกันว่าตื่นเต้นไหมเห็นว่าโอ้โหมันมันน่าน่าติด น, น่ากลัวขนาดนี้ต่อไปท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแสดง การดับปปัญญะสัญญาต่อไป mm hmm. การดับไอ้ตรงเนี้ยบอกบอกโทษบอกขีดบอกทางเดินของทุกข์เห็นไหมของตัวสมุทยาาาัยสัจจะมันเข้าไปสู่ทุกขสัจจะอยูไ่ไหบอกสมุทยาาาัยสัจจะบอกบอกบอกทุกขสัจจะต่อไปบอกท่านจะบอกมรรคสัจจะเพื่อไปสู่นิโรธาสัจจะมันมันตรงเนี้วิธีการแสดงธรรมะที่ท่านแสดงเนี่ยก็คือว่า บอกจนรู้สึกไม่อยากอยู่จนเห็นโทษมันรู้สึกว่าโหน่าเกลียดน่ากลัวแล้วนะเข้าก็เลยบอกบอกว่ามันมีทางดบับชื่นใจไหมแบบนี้เออทามองอย่างนี้ว่าในพระสูตรเนี้ที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนขนมหวานเนี่ยแล้วที่มันชื่นใจเนี่ย มันเหมือนว่าโอ้โหเดินป่าความร้อนเราหิวนะบอกว่ามีขนมหวาน โ, โห้โหชื่นใจเลยทีนี้แล้วอย่างหนึ่งเขาเกิดปัญญารู้พอรู้ความจริงของตัวเองตอนนี้มันชื่นใจเลยนะใครชื่นใจมั้ยคือมันได้รู้จักกิเลสกลุ่มนี้อย่างแท้จริงพอสมควรนะว่างั้นเดนรู้จักกิเลสกลุ่มนี้ทีนี้ <c oughs> พอท่านแสดงและท่านก็บอกวิธีการท่านบอกว่าท่านทั้งหลายเมื่อตาไม่มีรูปไม่มีจักขูวิญญาณไม่มีเขาจักบัญญัติซึ่งภาษะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติภาษ า, าไม่มีเขาจักบัญญัติซึ่งเวทนาข้อนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อเขาบัญญัติซึ่งเวทนาไม่มีก็จะบัญญัติซึ่งสัญญาเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อ การบัญญัติสัญญาไม่มีการบัญญัติซึ่งวิตกข้อนี้ก็เป็นฐานะที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีการบัญญัติการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนินช้าข้อนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไล่ทุกทวารเลยทวารตาทวารหูทวารจ ม, มูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจไม่มี ทำมารมไม่มีคำว่าเมื่อใจไม่เมื่อตาไม่มีเมื่อหูไม่มีเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเมื่อใจไม่มีเมื่อรูปอารมณ์ศัทธารมการตารมรักสารมโหดถารลมไม่มีใช่ไหมเมื่อจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณโมยามไม่มีเมื่อจักขูสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยสัมผัสจนถึงโมยาสัมผัสไม่มีเมื่อจักขูสัมผัสสัจชาเวทนาโสตสัมผัสสัจชาเวทนาถึงมโนสัมผัสสัจชาเวทนามไม่มีมันดับแล้วกกาารบัััญญตติ่่งๆมมมน็ไี เมื่อเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีวิตกไม่มีปปันจะสัญญาทั้งหลายมันจะมีได้อย่างไรอันนี้ท่านแสดงอะไรเนี่ยนิโรธแสดงนิโรธฉะนั้นนิโรธมันสุดยอดอย่างนี้สนใจไหมเล่าใช่ไหมล่ะมันไม่ต้องมามันไม่ต้องมามีอะไรมันไ ม, ไม่ต้องมาปปมันไม่ต้องมาสร้างบาปสร้างอากุศรารกรรมอะไรว่างั้นเถอะเนี่ยไมถ้าดับเหล่านี้ได้ท่านพูดถึงตัวนิโรธสัจจะ คือการดับให้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยมันสุดยอดมากทีนี้พอพูดอย่างนี้ยไอ้ท่าในพระสูตรเนี่ยไอ้วิธีการเนี่ยใช่ไหมล่ะสะรุปตรงนี้นิดนึงสรุปได้ว่าการเกิดของปัจจัยสัญญาและการดับของปัจจัยสัญญนานั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยายตนะคือการประจวบกันของสภาวธรรมคือตารูปจักรุญญาณ น, นั่นก็คือภาษาเนี่ย ก็เกิดเวทนาพุทธเจ้าตรัสสอนผู้ที่ต้องการจะพ้นจากปัญ ป, ปจสัญญาให้รอบรู้ใช่ไหมสอนให้รอบรู้จกักจากกู菩萨รอบรู้รูปารมณ์รอบรู้จากคุญญาณรอบรู้จากขูดสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นใช่ไหมจากขูสัมผัสก็รอบรู้ตัวตัวทุกข์สัตว์ทั้งหมดนั่นเอง คือสอนให้รอบรู้ก็คือทำยานปัญญาทั้งหลายไปรู้ความจริงของทุกขสัตว์เหล่านี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ใช่ไหมและก็สอนถึงกรณี่งการเกิดขึ้นของปัปัญจสัญญาทั้งหลายเหล่านั้นนะเป็นสมุทยัยสัจจะแล้วก็สอนว่าถ้าดับสภาวะดับเหล่าเนี้ยอันนั้นเป็นนิโรธาสัจจะอันนี้ทำที่ควรกําหนดรู้นี่ทำที่ควรละทำที่ควรรู้ถึงคือนิโรธ แล้วท่านบอกมาทีนี้เวลาท่านพูดเนี่ยใบยเดมรนดาท่านบอกว่าในการกําหนดในการรอบรู้ในการเจริญสิ่สมาธิปัญญาเป็นต้นนะจนเป็นต้นเหล่านี้แล้วจนสามารถดับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเวทนาท่านก็บอกว่าเวทนาเนี่ยเวทนาที่ควรเสพก็มีเวทนาที่ไม่ควรเสพก็มีใช่ไหม ให้ละเวทนาที่ไม่ควรเสพกําหนดเวทนาที่ควรเสพเมื่อทําเช่นนี้ก็จะสามารถที่จะละปะัจจัยสัญญาได้ในบรรดาท่านพูดถึงเรื่องอุเบกขานะในบรรดาเบกขาสองอย่างนั้นเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานั้นะแลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมจเจริญขึ้นอุเบกขาชนิดนี้เป็นอุเบกขาที่ควรเสพควรจเจริญอุเบกขาใด มีวิตกมีวิจารณ์และมีอุเบกขาใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยในบรรดาอุเบกขาสองอย่างอุเบกขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ประณีตกว่าข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพมนได้พูดในดังสกการบณสูตรนะที่จริงท่านพูดถึงว่าข้อปฏิบัติตามสมควรและการดําเนินไปสู่การการดับแ ง, ง่ต่างๆของปรปัญจสัญญาตรงนี้คืออย่างนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของการว่า ตัวเวทนาเนี่ยเอาแค่ตัวเบีขาเวทนานี่นะตัวเบี้ขาเวทนาที่ไม่ควรเสพก็คือเบี้ขาเวทนาที่ในอกุศลอุเบกขาในโลภะเนี้ยอุเบกขาในโมหะพวกนี้นะเพราะว่าเราไปไปหมกมุ่นไปยินดีไปเพลิดเพลินในเวทนาเหล่านี้ไปเสพเวทนาเหล่านี้มันก็คือไปไปทําปะปนยัดสัญญาที่เป็นส่วนแห่งการทําให้บาปกุศลธรรมนั้นมันจเจริญขึ้น แต่อุเบกขาที่ควรเสพก็คืออุเบกขาเวทนาที่ประกอบในในในปฐมฌานเป็นต้นเออในในในในตัวปัญจจะตุทัฌานเป็นต้นทีนี้ในการได้สมนัสเวทนาที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพก็เหมือนกันถ้าในปฐมฌาน ท, ทาุติยฌานตัตยฌานเนี่ยมันเป็นสมนัสใช่ไหมแต่ถ้าในจตุทัฌานเป็นอุเบกขาถ้าว่าโดยจะตุกนายเนี่ย นิทชี้ไปตัวที่เวทนาที่ควรเสพก็ต้องเวทนาในฌานที่เสพเพื่อจะเป็นฐานเมื่อเป็นฐานเบียเศ็ปปบแล้วจะได้เดินวิปัสสนาญาณต่อไปในการที่จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลแต่ไอจะถึงเบียขาเวทนาก็ในยะเดียวกันแต่ถ้าเวทนาที่เกี่ยวกับในเรื่องของอกุศลก็เป็นเวทนาที่ไม่ควรเสพอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านพูดถึงอย่างนี้ก็คือว่าท่านอาศัยบอกว่าท่านพูดถึงในเรื่องว่าตัวตัวที่เมื่อเดิน เดินกุศลเนี่ยในการที่จะพัฒนาในการเจริญสีสมาธิปัญญาพอได้สมาธิเป็นฐานเอาสมาธิเป็นฐานแล้วก็ใช้ปัญญายานพอสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยตัวปริยุทธานนะถูกสงบแล้วครับวิติกามาถูกกําหนดด้วยศีนอยู่แล้วถูกละด้วยศีนอยู่แล้วทีนี้เมื่อได้ฐานได้ที่ตั้งแล้วก็ใช้ยานปัญญาใช้ยานปัญญานี่ยเลยในการเจาะ ถ้าวยทะลวงเข้าไปวิจัยแยกแยะยกอะไรขึ้นมายกรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเหล่าเนี้ยแม้แต่ยกกลุ่มกลุ่มสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับตนนั่นแหละเมื่อชำระจนเห็นความบริสุทธิ์หมดจดว่าสัตว์บุคคลไม่มีแท้จริงเป็นสภาวธรรมทั้งหลายเหลา่านี้เป็นตนน้นก็ยกขึ้นสู่ตรัยลักษ์ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายถอนปัญญาญาณที่เข้าไปวิจัยแยกแยะเห็นตามความเป็นจริงทุกๆระดับในขณะนั้นมันถ่ายถอนอะไรนะ มันละละอนุสัยเป็นต่ทังคะจนสามารถทำยานปัญญาให้แก่ก้าขึ้นเป็นไปตามลำดับเมื่อแก่ก้าขึ้นเป็นไปตามลำดับในที่สุดจริงก็จะสามารถเป็นสมุทเธทปหารได้ในอริยมรรคใช่ไหมตรงนี้ท่านเชี้เห็นบอกว่ า, วาเมื่อพุทธเจ้าแสดงลักษณะอย่างนี้ก็คือท่านเชี้เห็นว่า ในหลักของการที่พูดถึงเรื่องอยายตนะภาัยในอยนายตนะภายนอกแล้วก็ไล่ามาตามลําดับเรื่องภาษาเวเนี่ไล่าตามดับแล้วก็มากําหนดเรื่องความดับแล้วก็พูดถึงหลักหลักแห่งการการเจริญอย่างนี้เป็นต้นในสูตรนี้ท่านไม่ได้ขยายไว้ทีนี้ไปขยายไว้อีกที่หนึ่งก็ <c oughs> อ, อย่างนี้อ <c oughs> <c oughs> ในโลกเนี้ถ้ามีผู้สามารถรักษา วิติกามภูมิและปรปยุทฐานภูมิได้อย่างหมดจดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะหมดจดใช่ไหมถ้าใครสามารถาไม่ให้กิเลสระดับปริยุทธานนะแล้วก็วีติกามะละได้มีสัพปริสธรรมมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาามา่าค้ามีปัญญาก็ถูกเรียกเป็นคนดีจะเรียกวอริสุทธ์ก็ได้นะตอนนี้วอนะริสุทธ์ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเขายังไม่รู้จักอนุสัยการไม่สามารถทําลายอนุใัยปุ่มคือการบราคาอนุสัยเป็นต้นได้เนี่ยแม้จะรักษาปริยุทธานภูมิวิติกามภูมิได้เท่าไหร่ก็ยังชื่อว่ารักษาสัพปริสธรรมได้ตอนนั้นเพียงพบเดียวก่อนที่จะตายตนั้นนี่นะในชาติต่อไปถ้ามันมีโอกาสแข็งกล้าขึ้นมาอีก ในโลภะนะในชาติต่อไปเนี่ยเขาก็จะสามารถแข็งกลับขึ้นมาอย่างเดิมเข้าใจใช่ไหมคือมันแค่เราไปเนี่ยละมันสามระดับเนี่สองระดับเนียระดับรากมันเนี่ยมันไม่ถูกถ่ายถอนมันตัดต้นไม้เลยแล้วตัดกิ่งตัดเต้นไม้ตัดโคนได้หมดเลยเรียบร้อยแล้วคอยตัดตลอดไม่มันขึ้นทีนี้พอเราหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็พุบขึ้นมาอย่างเก่ามันเป็นอย่างนี้นะ นี่คือปัญหาฉะนั้นตัวทิฏฐิเนี่ยก็แยกเป็นสามภูมิอนุสัยภูมิปริยัิฐานภูมิวิติกามภูมิโลภะก็แยกเป็นสามอนุสัยปริยิฐานนะวิติกามาโทสะก็แยกแยกเนี้ยอนุสัยปริยัิฐานวิติกามะโมหะก็แยกเป็นสามกิเลส ท, ทุกตัวแยกแบบนี้ฉะนั้น ที่เราละกันตอนนี้เราละกันแค่วิติกมามะกับบริวิธานเพื่อเผอบางคนบริวิธันนะยังไม่ได้ละเลยใช่ไหมเนี่ยเราเราละกันได้แค่นี้นะทีนี้แต่อันนี้กิเลสแต่ละตัวไปแยกกันเอาเวลาถ้าเราจะมานั่งแยกกันอย่างนี้น่าจะเสียเวลาเยอะเยอะเลยใช่อันนี้ต่อไปจะบอกวิธีเราเดินศีลยังไงอะไนี้ ที่จะละวิติกามะเดินกลุ่มสัมมาวายามส ม, มาสติส ม, มาส ม, มาธิยังไงที่จะละปยุทธานนะเดินส ม, มาธิฏฐิส ม, มาสัปะายังไงกลุ่มวิปสัสนาญาณยังไงที่จะละอนุสัยใช่ไหมหลักการคือตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่เรารู้ตั้งระดับสามภูมิเข้าแล้วรู้ปปัญญาดีไหมงั้นเดี๋ยวพักแล้วแวบดีไหม